ข้อความในปฏิจจสมุบาทโดยอนุโลมลองมาทบทวนดูพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคได้พิจารณาในช่วงมัชิมปฐมมยามแห่งราตรีเนี่ย น, นคือพูดแบบในหนึ่งก็คือหัวค่ำตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนี่ยนะการมานสิการของพระผู้มีพระภาคเป็นการมานสิการโดยครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วก็ไม่มีการลัดขั้นตอนอะไรสักอย่างปฏิจจสมุปบาทในปฐมโพธิสูตรนั้นแบ่งออกเป็นสอ ง, ส อ, งสองสองอย่างนะอย่างย่อกับแบบพิสดารแต่ก็ถือว่าอย่างย่ออีกอยู่ดีย่อที่สุดเลยก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะวิทย์อันนี้ย่อนะถ้าพิสดารนะ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 เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้หลังจากที่พระผู้มีพระภาคใคร์ครวรโดยพิสดารคือ พระองค์ก็ทรงทราบเนื้อความทั้งหมดแล้วพระองค์ก็เปล่งอุทานขึ้นในขณะนั้นทวนอีกครั้งหนึ่งคําว่าอุทานนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคาถาร้อยกรองที่แสดงถึงความปราโมทของพระผู้มีพระภาคเป็นคาถาที่เกิดขึ้นจากโสมณีญานเป็นสมุทฐานที่ล้นออกมาไม่สามารถเก็บไว้ในใจได้ องอุทานว่าในการใด แ, แลธรรมะทั้งหลายมาปรากฏแก่พรามผู้เพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งธรรมะพร้อมด้วยห <c oughs> เหตุเนื้อความโดยสรุปในหน้าสองนะดูคาถานหน้าสองที่บอกว่าในการใด แ, แลในการใดนี่หมายถึงการไหน การที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยรบกับกิเลสมารทำทั้งหลายมาปรากฏแก่พราหม์ทำทั้งหลายเป็นชื่อของโพธิปักคยธรรมหรืออริยสัจธรรมเมื่อโพธิปักคยธรรมหรืออริยสัจธรรมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้ลอยบุญลอยบาปผู้มีความเพียรคือประกอบด้วยสัมมาประธานสเพ่งอยู่ด้วยลักคนูปนิสชาลักคนูปนิสชาลและอารัมมานูปนิสชา เมื่อโพธิปัจจะธรรมปรากฏอย่างนี้แล้วความสงสัยไม่ว่าจะสงสัย16สงสัยในปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นความสงสัยทั้งหมดนั้นย่อมสิ้นไปเพราะรู้แจ้งสังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดเพราะปัจจยธรรมคือเหตุนะเพราะพระองค์รู้เหตุรู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุนั่นเองก็เลยหมดความสงสัยคาอธิบายอยู่ในหน้า68นะ คำอธิบายเต็มอยู่หน้าหกสิบแดอ่านจนลืมเรื่องนะเพิ่งถึงคำอธิบา ย, ยาง้บทว่าเอตมัดถังวิธิตวาแปลว่ารู้แจ้งเนื้อความที่ได้กล่าวไว้ว่ากองทุกมีสังขารเป็นต้นย่อมเกิดด้วยอวิชชาเป็นต้นโดยอาการทั้งปวงบทว่าตายังเวลายังได้แก่ในเวลาที่รู้แจ้งอัฏานั้นบทว่าอิมังอุทานังอุธาเนสิความว่าเปล่งอุทานนี้ อันแสดงอนุภาพการรู้เหตุและธรรมะอันเกิดจากเหตุในเมื่อรู้จักผลนั้นอันเป็นสมุทฐานแห่งยานอันสัมปยุตด้วยโสมนัสก็เปล่งคาถาว่ายะทาหเวปาตุภวันติเป็นต้นเป็นการเปล่งวาจาเป็นที่พอพระทยัยคือพระองค์ดีใจมากดีใจถึงขนาดว่าเก็บไว้ในใจไม่ได้เปล่งในเวลานั้น ในยามสีทุ่มเนี่ยนะพระองค์ก็เปล่งออกมามาดูคำว่ า, าปาตุยะถาหาเวปลาตุพวันติเนี่ยนะมุ่งหมายว่าในการใดในการใดคือการไหนสมัยรบกับกิเลสมานโดยพระบาลีว่าพวกเธอจงใช้อาวุธคือปัญญารบมานนะใช้อาวุธคือปัญญารลบกิเลสมาน ปลาตัวพวันตินี่แปลว่าเกิดขึ้นธรรมมาธรรมมาคือโพธิปัจขยธรรมโพธิปัจขยธรรมนี้อันให้สำเร็จการแทงตลอดปัจจัยการโดยอนุลมคุณธรรมที่พิจารณาปัจจัยการจริงๆนี่คือตัวปัญญาปัญญานี่เป็นหัวหน้าในการเจาะในการแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทที่เป็นอนุลม์นะนเ แต่ขณะเดียวกันนั้นปัญญาจะเกิดโดยปราศจากคุณธรรมอย่างอื่นประกอบไม่ได้ก็มีคุณธรรมอย่างอื่นประกอบคือสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีพละโพชฌงองมัชซึ่งตัวปัญญาคืออะไรบ้างในโพธิปัจขยธรรมปัญญาในโพธิปัจขยธรรมก็คือวิมังสิทธิบาทปัญญินีปัญญาพละ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงและสัมมาทิฏฐิปัญญาเหล่านี้ทำให้พระองค์เนี่ยแทงตลอดธรรมะคือปัจจญยการพร้อมทั้งผลที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะหมายถึงว่าธรรมะปรากฏชัดโดยการตรัสรู้ธรรมะได้แก่อริยสัจสี่เมื่อโพธิปัจยธรรมปรากฏหรืออริยสัจสปรากฏ อาตาปะเรียกว่าความเพียรเพราะอาจว่าทำลาทำกิเลสให้เร้าร้อนนะทำความเศร้ามองให้เหือดแห้งชายโตได้แก่เพ่งด้วยรัมมนูปนิชฌานและลักขณูปนิชฌานอารัมมนูปนิชฌานนี่เป็นชื่อของสมถะลักขณูปนิชฌานเป็นชื่อของวิปัสสนาพันธเจริญสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปบรัมณสะเป็นชื่อของพระขีณาศพผู้ลอยบาป ลอยอากุศลลอยความเศร้าหมองทิ้งโดยประการทั้งปวงอัทธกังขาวประยันติสัพาความว่าครั้นพราหมณ์นั้นมีธรรมะปรากฏอย่างนี้แล้วความสงสัยในปัจจยการที่ที่ตรัสไว้เป็นต้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโนกัโลปันโหปัญหาไม่สมควรเพื่อฉเฉลยคำถามว่าโกนุขโขพันเตพุสติใครเนาถูกต้อง ใครผัสสะอันไหนใครผัสสะนี่เป็นคำถามใช้ได้ไหมใครผัสสะอะแล้วมีใครที่ไหนล่ะก็ต้องถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะถ้าอย่างเงี้ยถูกแต่ถ้าใครผัสสะผิดเพราะใครจริงๆโดยสภาวะไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าบอกว่าผัสสะเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัยถ้าอย่างเงี้ยถูกแล้วใครเสวยเวทนาคานี้ไม่ถูกแต่ถ้าบอกว่า เวทนานี่มีอะไรเป็นปัจจัยเขาบอกมีผัสสะเป็นปัจจัยถ้าสังเกตดูคําที่บอกว่าอิมัสสะเกวรสะเนี่ยนะอิมัสสะแปลว่าทั้งหมดนี้เกวรสะคือเกวลังเนี่ยนะทั้งหมดเลยอิมัสสะแปลว่านี้เนี่ยนะทุกขขัณฑะเป็นกองทุกเท่านั้นที่ เ, เกิดขึ้นกองทุกเหล่านี้ปราศจากสัตว์บุคคลสิ่งนั้นน่ะมีอยู่จริงแต่จริงโดยที่ไม่ใช่ใคร ซึ่งเดรัทธีทั้งหลายนี่คิดว่าเป็นเป็นสัตว์เป็นชีวะเรียกว่าเป็นใครมันก็เลยถามว่าใครอวิชชาใครใครใครเป็นสังขารใครเป็นวิญญาณใครเป็นนามรูปใครเป็นสลายตนะนใครเป็นผัสสะใครกระทบอย่างเงี้ยใครสเสวยเวทนาอ่ะนะใครมีตัณหาดังนั้นคาถามคำถามของเขาเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของของอะไรของสัตตสัญญา คือสัตว์เนี่ยเป็นโวหารที่เอาไว้สื่อสารไว้พูดคุยกันแต่เดียร์ีทั้งหลายไม่เคยใคร่ครวนเจาะลึกไม่เคยวิจัยก็เลยสำคัญว่าสัตว์มีอยู่จริงก็เลยคำถามว่าใครเสวยเวทนาใครผัสสะพงก็บอกว่าคำถามแบบนี้ตั้งไม่ถูกนะที่ตั้งไม่ถูกก็เพราะอะไรเพราะว่าใครในที่นี้ไม่มีอยู่จริงโดยสภาวะเนี่ยนท่าน เมื่อจะเฉลยคําถามว่ากัตมังนุโขพันเตชรามรณังกัสะจะปนิธังชรามรนังชรามรณะเป็นไงพระเจ้าข้าก็ชรามรณะนี้เป็นของใครใครแก่ใครตายนะใครแก่ใครตายคําถามนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเพราะถ้าพูดถึงสภาพของปรัมัทธธรรมคือชรามรณะเป็นชื่อของอะไรชราขันขันธาตุอายตนะชรา ในขันเนี่ยนะมีใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีมมนะรูปใช่ไหมเป็นสัตว์ใช่ไหม <S <S เวทนาใช่ไหมเป็นสัตว์สัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเป็นสัตว์ <S <S แล้วสัตว์นี้อื่นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือใช่ไหมสัตว์นี้อื่นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือสัตว์ก็อย่างหนึ่งขันห้าก็อย่างหนึ่งหรือนะถ้าใครที่วิจัยไม่ดีเนี่ยนะจะเข้าใจผิด เข้าใจผิดแล้วก็ถ้าเข้าใจผิดปับ๊บมันจะผิดหมดเลยถ้าความเข้าใจตรงนี้ไม่ดีมันจะลามไปทําความเข้าใจผิดในเรื่องอื่นหมดเลยเพราะว่าคําว่าใครเนี่ยนะเป็นคําพูดที่เป็นปุคลาทิฐานเป็นโวหารที่เอาไว้สื่อกันที่ถ้าใครเรียนมิลินถ้ปัญหามาก็จะเห็นชัดว่าผมใช่ไหมเป็นนัเกเษน ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับตายเป็นต้นใช่ไหมหน้าเกษตรรูปใช่ไหมหน้าเกษตรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไม้มเป็นหน้าเกษตรแล้วหน้าเกษตรอื่นจากผมขนเล็บฟันหนังหรืออื่นกันไหมแล้วหรือว่าอยู่ในที่เดียวกันหรือแยกกันอยู่หรือแฝงกันอยู่หรืออย่างไรคาถามว่า ความที่ผมคนเล็บฟันหนังที่เรียกว่ารูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันความที่ขันห้าประชุมกันเป็นที่ตั้งแห่งโวหารให้เรียกว่าหน้าเกษตก็คือขันห้าประชุมกันเพราะฉะนั้นบัญญัติกับปรมัตุิเนี่ยจะแยกกันโดยสิ้นเชิงได้ไหมไม่ได้นะจะแยกกันโดยสิ้นเชิงไม่ได้เพราะว่าบัญญัตินี้เป็นที่ตั้งแห่งโวหารอ่าเป็นที่ตั้งแห่ง โวหารหรือเป็นที่ตั้งแห่งที่เรียกว่าบัญญัติเนี่ยนะคือปรมาภิเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติเพราะฉะนั้นจะแยกบัญญัติออกไปจากปรมัภิโดยสิ้นเชิงก็ไม่ได้จะแยกปรมาภิไปโดยสิ้นเชิงไม่ได้ดูหน้าสาสห้าดูจะเห็นชัดหน้าสาสบห้านะหน้าสาห้านับขึ้นห้าบรรทัดนั่นนะหน้าสาห้านับขึ้นห้าบรรทัดที่บอกว่า เมื่อกล่าวว่ายศเหมิงสมัยเญเป็นอันเข้าใจเนื้อความดังนี้ว่าสำหรับปรมัตาจะเว้นสัตว์ก็ไม่ได้จะไม่มีสัตว์ก็ไม่ได้ถามว่าทำไมล่ะก็เพราะบัญญัตินี้หรือสัตว์หรือบัญญัตินั้นะเป็นโวหารที่เอาไว้สื่อกันเนี่ยนะเอาไว้สื่อกันครั้งก่อนที่เราพูดถึงในพระสูตรสูตรหนึ่งใช่หมอนังคณะสูตรที่บอกว่าเหตุที่พระพุทธเจ้าแสดงบุบคคลบัญญัติก็มีอยู่ ปุคละกระถาก็มีอยู่นยะย้อนกลับมาในหน้าเดิมอีกนะพรานผู้ที่กำหนดปัจจยาการได้กำหนดตัดใ จ, จได้ละความสงสัยทั้งหมดว่าใครคืออวิชชาใครอวิชชาใครสังขารใครวิญญาณใครนามรูปใครสลา ย, ยตนะใครผัสสะใครเวทนาใครชรามรณนะเป็นต้นเนี่ยนะหรือชรา อ, อวิชชาของใคร สังขารของใครวิญญาณของใครนามรูปของใครสลายตระนัภาษาเวทนาตันหาของใครชรามรณะเนี่ยของใครคำพูดประเภทนี้ผิดหมดเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีใครอยู่ในชรามรณะชรามรณะมีอยู่จริงแต่ไม่มีใครอยู่ในชรามรณะชาติมีจริงแต่ไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในชาติภพมีอยู่จริงแต่ไม่มีใครอยู่ในภพ อุปาทานมีอยู่จริงแต่ไม่มีใครอยู่ในอุปาทานอุปาทานไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครนะแต่ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยเฉะนั้นชรามรณะก็คือการประชุมพร้อมแห่งขันที่ทุดโทรมนะแล้วก็เสียหายแตกทำลายไปชรามรณะเหล่านี้มามาจากอะไรก็มาจากการเกิดนะเกิดมาจากไหนก็มาจากกรรมกรรมมาจากไหนก็มาจากความ ยึดถือความยึดถือมาจากไหนก็มาจากภาษาและเวทนาภาษาเวทนามาจากไหนก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นมากายใจมาจากไหนก็มาจากวิญญาณมาจากการเกิดการเกิดมาจากไหนก็มาจากกรรมอีกนั่นแหละฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจนะลองทบทวนปฏิจจสมุปบาทในชีวิตที่เป็นจริงดูอีกครั้งหนึ่งนะอย่าง สูตรที่เราคุ้นเคยมากอยู่แล้วและมาลองทำความเข้าใจกันดูซ้าอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างอาศัยจากขู่กับรูปเกิดอะไรเกิดจากคูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมการเป็นภัสสะพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพพบเป็นปัจจัยจึงมีจึงมีตา ตา น, นี้เนี่ยนะหมายความว่าเวลาลืมตามองเห็นเนี่ยต่อตาไปแล้วกระบวนการในการอาศัยตาตัวนี้ต่อตาอันใหม่ก็คืออย่างที่ว่าอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานี้เป็นปัจจุบันผลนะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพอันนี้คือปัจจุบันเหตุภพอันนี้เป็นปัจจัยจึงมีตาต่อไปในอนาคต ตาในอนาคตการเกิดขึ้นของตาเรียกว่าชาติความชำรุดสุดโทมของตาเป็นต้นก็เรียกว่าชาาและมรณะพันอาศัยจากขู่กับรูปเป็นต้นเรียกว่าปัจจุบันผลทำให้เกิดปัจจุบันเห ต, ปจจเหตุปัจจุบันเหตุทำให้มีอนาคตผลต่อไปนี่กขาตั้งคาถามว่าตาอันนี้มาจากไหนก็สาวไปในยะเดียวกันเนี่ยนะ มันแสดงว่าในอดีตในอดีตก็อาศัย จ, ก u, p, f, it, จักขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจ จ, จัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีตาอันนี้ขึ้นมันพอมีตาอันนี้ขึ้นก็อาศัยจักขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณเป็นต้นในแนวเดียวกันพันการเห็นในอดีต เป็นปัจจัยให้มีตาในปัจจุบันการเห็นในปัจจุบันเป็นปัจจัยให้มีตาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะสงสัยไหมว่าตานี่เป็นใครตาเป็นใครคำถามนี้ถามไม่ถูกตาไม่ใช่ใครตาก็เป็นตาเป็นจักรผูปสาธาที่มีมหาพุทธรูปเป็นเหตุใกล้มีกรรมเป็นปัจจัยมีรูปปัตนหาเป็นอุปนิสัยเป็นพืชเป็นเชื้อให้เนี่ยนะ พันตาอันนี้ถ้าสาวไปแล้วก็คือรูปปตัตนหาในอดีตเป็นปัจจัยให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จทําให้มีตาอันนี้ขึ้นพันเมื่อมีตาอันนี้เนี่ยนะตาอันนี้เนี่ยเอ่อเป็นผลพวงของรูปปตัตนหาเมื่อมีตาอันนี้ตา น, นี้ก็จะสอดสายดูแต่รูปที่ตัวเองพอใจเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อสร้างตาต่อไปจะได้มีตาไปชื่นชมภาพต่อไปในอนาคตพัตนกรรมในะอดนะนะีตเป็นปะัจจัยให้มีตาในปัจจุบัน เมื่อมีตาปัจจุบันก็ไปเที่ยวเห็นเที่ยวดูเพื่ออะไรเพื่อสร้างตาต่อไปในอนาคตนะเมื่อมีตาไว้ทําไมอีกก็เอาไว้ดูต่อไปเพื่ออะไรเพื่อสร้างตาต่อไปเนี้เป็นการเชื่อมโยงไปอย่างนี้สงสัยไหมอดีตเนี่ยมีตาหรือสงสัยไหมว่าอดีตนี้เคยมีตาหรือปัจจุบันนี้มีตาหรืออนาคตต่อไปจกมีตาหรือมันก็เป็นการเชื่อมโยงว่าอดีตเหตุเป็นปัจจัยให้มีตาในปัจจุบันนี้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 เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีตาแต่พระพุทธเจ้าไม่พยายามที่จะให้เชื่อมต่อตาอีกพระองค์ก็เลยเบนประเด็นออกเบนประเด็นว่าถึงการเกิดขึ้นในอนาคตมันก็คือชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกโ ท, โทมนัตและอุปาญาตอันนี้คือตีรณ ะ, ะปริญญาของพระ อ, องค์เลยนะ อันอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติอันนี้เป็นลักษณะของยาตะปริญญาที่เห็นความเป็นไปของธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล้วพระองค์ก็ประกาศให้รู้ให้เป็นอารมณ์ของตีรณปริญญาว่าถึงจะมีตา ถึงจะมีการเกิดขึ้นของตาอีกต่อไปก็คือชรามรณะแล้วต้นเหตุที่ดีของต้นเหตุที่ที่อริเอตอร่อยของโสกปริเทวะทุกขโทมณตและอุปาญาตกระแสะแห่งกองทุกขะไหลไปอย่างนี้ฉั้นคนที่พิจารณาอย่างนี้สงสัยไหมว่าอดีตสงสัยอดีตไหมสงสัยอนาคตไหมสงสัยปัจจุบันไหมก็เห็นความเชื่อมโยงกันอยู่อย่างนี้ตลอดไป พันทุกครั้งที่เราลืมตาเนี่ยผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้มีวิชาทั้งหลายก็คำนวณถึงต้นเหตุที่ทำให้มีตาในปัจจุบันก็สาวไปหาเหตุในอดีตจนมีเห็นว่าตาเนี้เกิดขึ้นอย่างไรในปัจจุบันแล้วจากการเห็นอันนี้คือการสร้างตาต่อไปอย่างไรในอนาคตเพราะฉะนั้นผู้ที่เพ่งอย่างนี้ไม่สงสัยในอดีตไม่สงสัยในอนาคตและไม่สงสัยในปัจจุบันนี้เลย นะค่อยๆไล่ทีละทาวารอย่างนี้นะอย่างเช่นทาวารหูก็เหมือนกันใช่ไหมอวิชาเป็นปันจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปันจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปันจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปันจจัยจึงมีหูมีโสตะเนี่ยนะอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษะภาษาเป็นปันจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปันจจัยจึงมี ตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีหูเพราะฉะนั้นอนาคตถ้ามีหูอีกก็อาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณเองเนะแต่พระองค์ก็บอกว่าการเกิดขึ้นของหูหลังจากนั้นก็ชราและมรณะหูเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปาญาตเพราะฉะนั้นความเป็นไปของเหตุ คืออวิชชาตันหกรรมในอดีตที่ทำให้มีหูตรงจนถึงเมื่อมีหูแล้วมาก่อให้เกิดหรือเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาตันหากรรมเพื่อให้มีหูต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้คือกระแสแห่งชาติชราและมรณะอาหารที่ อ, ร, อร่อยของโสกะาปริเทวะทุกขโทมณัตและอุปาญาตเรามีหูเนี่ยนะโสกะาบ่อยไหมอย่างงี้ง ก็นับตั้งแต่มีหูก็ต้องไปฟังเสียงที่ฟังแล้วลำบากใจมากจริงอยู่ถึงคำนั้นไม่ใช่คำด่าแต่อาจจะเป็นคำที่บอกว่าคุณเสียอะไรไปเนี่ยนะฟังแล้วก็เศร้าใจเลยใช่ไหมนะพันบอกว่าญาติคุณเสียแล้วฟังแล้วง้อยเลยอย่างเงี้ยนะพนหูหูเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งโศกะปริเทวะทุกโทมานัตและอุปายาพันความเป็นไปของหูเหล่านี้ก็คือ อมสะเกวรสาสะทุก ข, ขั้นทัสะสมุทโยโหติกระแสะแห่งกองทุกทั้งหลายก็ไหลเชื่อมโยงไปในไปอย่างนี้เพราะความจริงที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือกองทุกขพร้อมทั้งต้นเหตุเท่านั้นแหละเป็นความทุกข์ที่มีอยู่จริงที่ไหลไปตามเหตุและปัจจัยแต่ถ้าพวกนอกาศาสนาเดียร์ีทั้งหลายก็สําคัญว่าหูนี่เป็นเป็นใคร หูนี่เป็นเราเมื่อหูเป็นเราปับมีผู้สร้างหูให้เราเพราะฉะนั้นเราจะฟังเสียงดีหรือฟังเสียงไม่ดีก็สุดแท้แต่ผู้สร้างเขาจะให้เราได้ยินอะไรก็โยนปัญหาไปอย่างนี้พอโยนปัญหาไปอย่างนี้ก็เลยโยนไปแนว อ, อ, อวกาศเลยกันนี่ห้ามสงสยัยห้ามคิดมากห้ามอะไรทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์สั่งสมปัญญาก็เลยแยกแยะกระแสความเป็นไปแห่งสิ่งเหล่านี้ได้อย่าง ชัดเจนมันไม่สงสัยเลยว่าเหตุอดีตคืออะนะในอดีตก็เคยมีหูใช่ไหมหูในอดีตให้ได้ยินเสียงก่อให้เกิดโสตาวิญญาณธรรมะสามอย่างนั่นแหละประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาเวทอะนะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีหูอันนี้ขึ้น อันหัวนี้มีมีกรรมมาพบเป็นปัจจัยทีนี้ในสูตรนี้บอกว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตระนัคือหูต่างกันอย่างไรก็บอกว่าเราเคยรู้เห็นอริยสัจในหูเสียงโสตะวิญญาณผัสสะเวทนาเคยเจริญอนุปัสนาเคยเจริญสติปัฏฐานในสิ่งเหล่านั้นไหม ความที่ไม่เคยปฏิบัติจนสา ม, มารถตรัสรู้อริยสัจในอดีตเพราะอดีตที่เราได้ยินเสียงไม่เคยแทงตลอดอริยสัจเลยไอการที่ไม่เคยแทงตลอดอริยสัจในอดีตนั่นแหละเรียกว่าอาวิชชาพราะในอดีตเราก็ไม่เห็นอริยสัจอะไรเคยเห็นไหมโสตะโสตะสมุทัยโสตะนิโรธโสตะนิโรธทคารมินีปฏิปทานในอดีตชาติเป็นต้นเคยทํำไหมเมื่อไม่เคยทํานั่นแหละเป็นอวิชชา พัน้นเมื่อมีหูก็สอดสายหูเนี่ยไปฟังเสียงก็แต่ว่าอดีตนี้ทําบุญไม่ดีนะสายหูไปฟังเสียงที่เป็นบุญเ่ยนะเสียงที่ก่อให้เกิดบุญพราะั้นกรรมเหล่านั้นก็เป็นบุญบุญยกรรมตัวนั้นทําให้เกิดหูเนี่ยนะตันหาก็เพลิดเพลินในเสียงเพราะฉะนั้นอวิชาความไม่แทงตลอดอริยสัตว์ในอดีตทําให้มีหูตันหาความเพลิดเพลินในเสียงในอดีตทําให้มีหู กรรมที่เมื่อได้ยินเสียงแล้วก่อให้ทํากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะนะกรรมเหล่านั้นเป็นปัจจัยจึงมีหูและหูอันนี้เจริญเติบโตเพราะอาหารเพราะอาหารนี่เมื่อหูเจริญเติบโตเพราะอาหารอันเรียกว่านิพพติเจริญขึ้นมาเรื่อยๆเพราะหูะโสตินทรีย์ถึงความแก่กล้าก็อาศัยหูกับเสียงเกิดโสตาวิญญาณใช่ไหมโซตเป็นปัจจัยแก่ภาษะและเวทนาอันนี้เป็นถือว่าเป็นกลุ่มผลของกรรม พอได้ยินเสียงปั๊บก็นะตันหาก็เกิดขึ้นเพราะเวทนาโดยมากและโดยมากเวทนาเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดตันหามันก็กายกรรมวัจจิกรรมมนโนกรรมนัม้นคนได้ยินเสียงหนึ่งเสียงเอาไปคิดมากเว้นอริยสัตว์เท่านั้นแหละนั่นไงเสียงทั่วๆไปเนี่ฟังปั๊บเอาไปคิดมากเฮ้ยทำไมเขาพูดอย่างนั้นเสียงนั้นมีความหมายว่าอย่างไรมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะพยายามคิดคิดคิดคิดเสร็จแล้วก็มาพูดถึงเป็นวจีกรรม นะก็มีการโต้อตอบกันทั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมทันการได้ยินเสียงแต่ละเสียงเนี่ยเป็นปัจจัยให้กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเกิดเพื่อให้มีหูต่อไปในอนาคตพระองค์เลยไม่สงสัยเลยต้นเหตุที่ทำให้มีหูไม่สงสัยในอดีตไม่สงสัยหูในปัจจุบันไม่สงสัยกรรมที่จะทำให้มีหูต่อไปในอนาคตเรียกว่าเป็นการเริ่มถอดอะไหออกมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแล้ว นิทวันจมูกก็นิย่าเดียวกันเนี่ยนะจมูกอดีตเนี่ยนะคืออะไรอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลา ย, ต, ลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัย จ, จึงมีอะจริงๆริอะนามรูปเป็นปัจจัยนี่แหละจึงมีจมูกขึ้นขานะอะนะขานะก็มีนามรูปเป็นเหตุใกล้จมูกเหล่านี้มีมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้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 เพราะเป็นปัจจัยจึงมีจมูก จ, มจึงมีจมูกพันชาติหน้าถ้ามีจมูกเอกก็อาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคารนณะวิญญาณก็จมูกเชื่อมโยงกันต่อไปอย่างนี้แต่ว่าถึงการเกิดของจมูกก็ตามก็คือชาติชรามรณะแล้วต้นเหตุของโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตนะเป็นกระแสะความเป็นไปกระแสะที่ไหลไปแห่งกองทุกนั่นเองเนี่ยนะพนอวิชาตันห ก, กรรมในอดีต อาหารในปัจจุบันทำให้มีจมูกเมื่อมีจมูกแล้วจมูกอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชาตันหาอุปาทานกรรมเพื่อให้มีจมูกต่อไปในอนาคตถามว่าจมูกจมูกเป็นใครจมูกของใครพันธ์ก็บอกไม่มีใครที่ว่าเป็นสัตว์บุคคลอะไรแต่อวิชาตันหากรรมอาหารเป็นเหตุให้เกิดจมูกจมูกอันนี้ถือว่าเป็น เป็นอายตนะเป็นบ่อเกิดแห่งอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมเพื่อให้มีจมูกต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นมีจมูกเอาไว้ต่อจมูกเนี่ยนะปัญหาว่าทิ้งจมูกอันนี้ถึงเอาจมูกแบบไหนจมูกแหว่งพดานโวคงไม่ใช่บ้างเนาะหรือมีจมูกประเภทไหนจมูกยาวเฟ้ยเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วสำหรับผู้ที่ไม่รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ ทุกครั้งที่รู้กลิ่นคือการสร้างจมูกเนี่ยนะทุกครั้งที่รู้กลิ่นคือการสร้างจมูกกลิ่นนั้นจะกลิ่นชนิดใดก็ตามเพราะมีกลิ่นไหนมัง่งที่เรารู้โดยทวารจมูกแล้วไม่ไหลไปหาอาวิชาตันหาอุปาทานกรรมโดยมากไหลไปหาอาวิชาตันหาอุปาทานกัรมเมื่อไหลไปหาสิ่งเหล่านี้ก็มีจมูกต่อไปในอนาคตเพราะ กรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้มีจมูกในปัจจุบันจมูกในปัจจุบันก็ก่อให้เกิดกิเลสกรรมในปัจจุบันนี้เพื่อให้มีจมูกต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็เชื่อมโยงกันไปนะทะวารลิ้นทวารกายทวารใจก็ในยะเดียวกันอย่างร่างกายของเราทั้งหลายเนี่ยนะอวิชาในอดีตนะอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมี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 วันถ้ามีกายในอนาคตต่อไปก็อาศัยกายกับโพธาะเชื่อมโยงกันไปอย่างนี้เวันอดีตเนี่ยนะสรุปที่มีกายอันนี้ขึ้นก็ อ, อวิชาเป็นอาศัยกายในอดีตกระทบกับโพธภาภะขอให้เกิดกายญาวิญญาณในอดีตใช่ไหมวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีก็มีกายเนี่ยพอมีกายอาศัยกายกับโพธาะกระทบกันก็เกิด นะภาษาสลายตระก็สืบเนื่องเชื่อมโยงกันไปในลักษณะนี้เพราะผู้ที่เข้าใจปัจจัยอย่างนี้สงสัยไหมว่าในอดีตเคยมีกายนะสงสัยไหมว่ากายในปัจจุบันสงสัยว่ากรรมที่จะทําให้มีกายต่อไปในอนาคตกระแสที่ไหลไปสืบเนื่องกันอย่างนี้เรียกว่ากองทุกข์ที่โยงกันไปลักษณะนี้ในโลกของ ก า, กามภูมิเนี่ยนะโลกของกามาวจรภพเนี่ยโดยมากเกี่ยวข้องกับทาวารห้าเป็นหลักตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยถามว่าทำไมในแง่นี้ไม่พูดใจบ้างอะ่ะเพราะใจเนี่ยไหลไปตามทาวารตาทาวารหูทาวารจมูกทาวารลิ้นและทาวารกายเว้นไว้แต่กลุ่มพวกอรูปประพบอรูปรประพบพวกนี้เน้นทาวารใจเป็นหลักเพราะพวกนั้นไปเจริญฌานพันเจริญฌานนี่เขาถือเอาทาวารใจเป็นหลักที่ที่เป็น การเจริญสแสวงหาความสุขทางทวารใจแต่ถ้าพวกกา ม, มาวาจรภูมิทั้งหลายพวกนี้สแสวงหาความสุขทางตาสแสวงหาความสุขทางหูสแสวงหาความสุขทางจมูกทางลิ้นและทางร่างกายนะซึ่งจะต่างจากพวกพวกปรารถนาจะเกิดในรูปประพบอรูปประพบกลุ่มเหล่านั้นสแสวงหาความสุขทางใจโดยส่วนเดียวนนะก็ไปอบรมส ม, มถะนนะให้จิตสงบมีความสุขทางจิตเน้นความสุขทาง จิตใจเพื่อให้มีให้มีความสุขในพบต่อๆไปพวกนั้นถือเอาความสุขทางใจเป็นหลักแต่การมาวจรพบพวกนี้ถือเอาความสุขทางตาหูจมูกเลนกายใจเป็นหลักเพราะนั้นไอ้ตัวใจเนี่ยนะใจที่เกิดร่วมกับกิเลสเกิดร่วมกับกรรมเนีย่ยนะใจบางอย่างถ้าใจที่เป็นกิเลสเนี่ยบวกกรรมเข้ามาด้วยใจที่เป็นกรรมบางครั้งก็ไม่มีกิเลสเพราะเป็นกรรมที่เป็น แต่ก็เชื่อมโยงกันต่อไปทีนี้สรุปสรุปว่าผู้ที่จะตัดความสงสัยได้เนี่ยนะเมื่อลืมตาเห็นภาพเนี่ยรู้ได้เลยว่าอดีตเหตุเป็นปัจจัยให้มีตาการเห็นครั้งนี้ทํากรรมเพื่อให้มีตาต่อไปในอนาคตเั้นอดีตะเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลนนะทุกครั้งที่ลืมตาเนี่ยคิดอย่างนี้เสมอเนี่ยนะอันนี้เป็นวิชา ถ้าไม่ใครครวนตามนี้ก็เป็นอวิชชานะ่ยนะันหูได้ยินเสียงหนึ่งคำเนี่ยนะได้ยินเสียงแต่ละคำเนี่ยอดีตอดีตเป็นเหตุให้มีหูอดีตเหตุนะเป็นปัจจัยให้มีหูพอได้ได้ยินเสียงเนี่ยนะหูนี่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้มีหูต่อไปในอนาคตคิดได้เลยว่ากรรมในอดีตทำให้มีหูปัจจุบันการได้ยินครั้งนี้คือการทำกรรมเพื่อให้มีหูต่อไปในอนาคตเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นวิชาเป็นความรู้ ที่จะละความสงสัยในอดีตอดีตอนาคตและปัจจุบันท่านทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนี่เขามองสี่ตำแหน่งเลยได้ยินเสียงแว่วมาหนึ่งคำเนี่ยเสียงอะไรก็ได้อดีตตะเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลต่อไปแล้วก็ต่อไปถ้ารู้กลิ่นนะทวารจมูกจมูกเนี่ยนะอดีตตะเหตุเป็นปัจจัยให้มีจมูกในปัจจุบันจมูกในปัจจุบันก็มาทํากรรมเพื่อให้มีจมูกต่อไปในอนาคตถ้ารู้กลิ่นก็มองเลยว่า อดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลต่อไปทีนี้ทวารลิ้นแหละลิ้นก็อดีตเหตุเป็นปัจจัยให้มีลิ้นพอมีลิ้นปัจจุบันผลอย่างนี้ก็มาทําเหตุใหม่ลิ้นเนี่ยนะไปทําเหตุใหม่ใช่ไหมเพื่อให้มีลิ้นต่อไปในอนาคตเหตุปัจจุบันทําให้มีผลต่อไปในอนาคตแม้กายของเราทั้งหลายกายของเราทั้งหลาย กายเหล่านี้ก็อดีตเหตุเป็นปัจจัยให้มีกายเมื่อมีกายอันนี้ก็สแสวงหาโพธิภะการสแสวงหาโพธิภะนี่คือคือเหตุใหม่เพื่อให้มีกายต่อไปในอนาคตเนี่ยนะท่านทุกทวารเลยนะคูณเอ่อทุกหนึ่งทวารอดีตอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลลืมตาปั๊บเนี่ยก็คิดอย่างนี้ น, นี่เป็นวิชาถ้าไม่คิดอย่างนี้เป็นอวิชา หูได้ยินเสียงนี่คิดเลยอดีตตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลต่อไปแล้วค่อยมาลงรายละเอียดว่ากรรมตัวไหนที่จะทำให้มีหูค่อยๆมาคิดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเขามองเอ่อมองภาพสี่ น, นมองธรรมะสี่กลุ่มใหญ่เนี่ยนะรู้กลิ่นก็เหมือนกันก็มองภาพสี่กลุ่มรู้รสก็สี่กลุ่มรับกระทบทางร่างกายก็นึกเลยอดีตตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลต่อไปก็มองแต่ละทวารแต่ละทวาร ถ้าถ้าทวารคูณสีก็เป็นเท่าไหร่ห้าสี่ยี่สิบแล้วใช่ไหมอันนี้ชว่ว น, น, นะชว่วงหนึ่งครั้งนะแล้วการคิดอย่างนี้ไม่ใช่คิดอย่างนี้ใครครวญแบบนี้ครั้งเดียวเนี่ยนะไม่ใช่คิดแบบนี้แค่ครั้งเดียวแล้วพอเลย <c oughs> เขาถือว่าถ้าเปลี่ยนสีใหม่ก็คิดอย่างนี้อีกเช่นเห็นจากเห็นสีขาวอดีตเหตุปัจจุบันลผล พอปัจจุบันผลนอันนี้มาเนี่ยได้เห็นสีขาวสีขาวอันนี้เป็นปัจจัยให้มีตาต่อไปในอนาคตไปเป็นสีเขียวอีกก็คิดใหม่แต่ว่าโครงสร้างแบบเดิมเรียกว่าแบบฟอร์มเก่าแต่ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเปลี่ยนไปเพราะถือว่าคนละขณะไปแล้วเนี่ยนะถือว่าคนอะไรนะเหมือนกับทํางานก็มีอะไรมีเช้าสายบ่ายเย็นก็มีอยู่เท่านี้ใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าครั้งเดียวทำครั้งเดียวก็พอเลยก็มีอยู่เท่านี้ทำครั้งเดียวก็พอแล้ว ไม่พอใช่ไหมเขาทำอย่างนี้ทุกวันนี้ก็เหมือนกันใครครวนอย่างนี้ให้บ่อยบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จนเป็นเมื่อไหร่ที่ลืมตาปับ๊บมองเห็นสีตำแหน่งทันทีเลยจนคุ้นเคยแบบนี้ละอดีตเหตุนะปัจจุบันผลอันนี้ปัจจุบันเหตุอนาคตผลต่อไปก็กลายเป็นคนที่คิดอดีตรู้อนาคตแล้วแยกแยะปัจจุบันทั้งที่ปัจจุบันผลและปัจจุบันเหตุ ก็จะไม่ใช่ตาเห็นแค่สีเฉพาะหน้าถ้าเห็นสีเฉพาะหน้าไม่ต้องเรียนธรรมะให้เวียนหัวหรอกว่าเนี้ยแต่ที่เิงเรียนธรรมะแล้วหายเวียนหัวนะเพราะก่อนนี่งงไปหมดเลยนะ <c oughs> น, นะพอหูได้ยินเสียงก็ต้องแยกอย่างเงี้ยนะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเนี่ย ส, สี่อย่างนะอดีตอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลก็กลายเป็นคนที่รู้อดีตรู้อนาคตและรู้ปัจจุบันแต่รู้แบบนี้เนี่ยนะเอาวิชาธรรมะเป็นเครื่องวัดนะไม่ใช่เอาวิชา อวิชชาสมัยใหม่มาวัดการคิดแบบนี้ห้ามเอาอาวิชชามาวัดเอาวิชาตามคําสอนมาเป็นเครื่องวัดเพราะปกติเราจะเอาอาวิชชาในโลกเนี่ยมามาวัดกับกับวิชาธรรมะเนี่ยนะซึ่งถ้ามันไม่เข้าหลักอวิชชาสมัยใหม่ก็เลยปฏิเสธไปเลยแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณเคยมีหูคุณมีหูหูคุณเป็นยังไงหูคุณเป็นใครหูเกิดที่ไหนอย่างนี้ก็คิดมากๆแล้วไม่ ก็เดือดร้อนหมออีกกันนะหมอไหายด้วยไหมจิตแพทย์เงี้ยนะจิตแพทย์ก็คุณไปคิดอะไรมาเนี่ยวันนะี้อะบอกนี่แหละไม่น่าแหละพวกศึกษาธรร ม, มะมีแต่เพียเพ้ยนเพี้ยนางเงีก็เลยหมอก็เลยเพี้ยนไปใหญ่กันนะีก็เลยชวนกันเพี้ยนเพียนไปหมด <c oughs> เขาบอกว่ากลุ่มบางกลุ่มที่ไม่สนใจศึกษาธรร ม, มะเนี่ยนะเนื่องจากผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติแล้วเพี้ยนก็เลยไปหาหมอมากๆเข้าหมอก็เลยปฏิเสธไปเลย เนี่ยนะพอพวกนี้มันเพี้ยนเพียเหมอเเือนกัน <c oughs> ก็มีก็เลยเป็นกลุ่มที่ไม่สนใจศึกษาธรรมะเอาเลยกลายเป็นว่าเบื่อเลยว่าวิชาธรรมะนี่มีแต่ทาให้ให้เพี้ยนเพียนขึ้นเนี่ยนะให้วิปริตมากขึ้นจากคนปกติกลายเป็นคนเพี้ยนเพี ย, พยไปเนี่ยนะอันนั้นคือคือจากสูตรที่ตั้งเอาไว้ผิดบทพยัญชนะที่ตั้งไว้ผิดข้อปฏิบัติที่ตั้งไว้ผิดพอไขควรมากๆยิ่งคิดยิ่งเครียดธรรมะนะอ่าถ้า ธรรมะที่ไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้ายิ่งพิจารณามากยิ่งทุกข์ยิ่งพิจารณามา ก, ย, ก, ย, าามากยิ่งเครียดยิ่งเวียนหัวให้รู้ทว่านั่นไม่ใช่คําสอนแต่ถ้าเป็นคําสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าคิดแล้วท่านดีใจมากอ่ะอันนี้คือที่ถูกคิดแล้วมีความสุขคิดแล้วปีติปรามโมทย์เนี่ยนะแต่ก็ไม่ใช่ถึงขนาดว่าควบคุมตัวเองไม่อยู่อะไรอันนั่นก็เกินไปอีกแล้วเนี่ย เพราะว่าพวกนี้จะมองอะไรมองออกมองทุกอย่างทะลุโ ป, ปร่ปปรงแล้วก็วิชาพวกนี้กึ่งวิชาสติสติเนี่ยนะกึ่งวิชาสติสติทีนี้สรุปวันหนึ่งเราลืมตากี่ครั้งได้ตากี่คู่ดีนะสร้างตากี่กิจเท่าดวงดาวแล้วมั้งเนาะลืมตาครั้งหนึ่งก็เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยวันเนี่ยดูดูภาพมากี่ภาพแล้วะนั่นแหละคือตาในอนาคตต่ตอไป ถ้ามองใครชำเลืองใครด้วยความโกรธก็ระวังเลชาติหน้าตาเอียงตาเขตาเละถ้าทะลึงตาดูใครก็ชาติหน้าตาเหลือกเป็นต้นเลนะก็ว่ากันไปเอ้าเคยเห็นสัตว์ตาเหลือกไหมล่ะเอ้ามีทําไมจะไม่มีเอ้าตาเอียงตาเขตาปูดเป็นต้นมีไหมมีหมดอยู่แล้วทําไมก็เหตุอย่างไรผลก็จะมีคล้ายๆแบบนั้นวันหนึ่งอ่ะนะก็มองด้วยเมตตาพันชาติไหนที่เมตตาให้ผลนําเกิดก็ตางามไปชาติไหนถ้าตา แต่นะไปทะลึงตาดูใครก็ชาดหน้าก็ตาเหลือกไปถ้าไปมองใครสายตาค้อนอย่างเงี้ยด้วยความโกรธด้วยควา ม, กวามโกรธชำระงมองก็ตาเละไปข้างหน้านเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าทําเหตุประเภทไหนพราะนั้นใครอยากตางามก็ก็มองด้วยเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะมองด้วยปิยะจักรสุเนี่ยนะมองด้วยสายตาอันเป็นที่รักต่อไปเพราะเพราะอะไรเพราะว่ากระแสเหล่านี้คือการเหตุผลเหตุผลที่เชื่อมโยงกันไป สิ่งเหล่านี้พระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นอดีตเหตุทำให้มีปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุทำให้มีอนาคตผลสิ่งนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างขึ้นแต่พระองค์มาวิจัยใคร์ครวนด้วยอำนาจปัญญาแล้วเอามาบอกเอามาบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นคือวิธีการเจริญมรรคแ อันนี้เพียงทําความรู้จักเฉยๆว่าอะไรเป็นอะไรธรรมะอย่างนี้ขอมาว่ายังไม่เรียกว่าธรรมะปฏิบัติอะไรหรอกเพราะแค่ทําทความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรยังไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่ที่ที่จริงๆอ่ะนะเพราะตัวปฏิบัติจริงๆเนี่ยลืมตาปั๊บอนุปัสนาเจตต้องเป็นไปเลยเมื่อเข้าใจตามนี้อย่างลึกซึ้งแล้วนะพีะ่ลืมตาขึ้นปั๊บก็จักขู่อนุปัสนาเจต รูปก็อนุปัสนา7จากักขวิญญาณก็อนุปัสนาเจตภาษาก็อนุปัสนา7เวทนาก็อนุปัสนา7ถ้าเจริญตามนั้นจริงก็เป็นการปฏิบัติเพื่อออกจากตาแต่การปฏิบัติที่จะออกจากตาได้ดังกล่าวไปเนี่ยนะจะต้องเข้าใจเหตุผลเหตุผลเชื่อมโยงกันจริงๆจนรู้ว่าทำไมต้องเจริญอนุปัสนา7จเนี่ยนะจนตอบได้ว่าถ้าไม่เจริญอย่างนี้เนี่ยวัตะยาวแน่แต่ถ้าการเจริญลืมตามจากักขุ ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นต้นรูปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาจากขวิญญาณภาษาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาใครครวรอย่างละเอียดละอีทีทุ่นเนี่ยนะย่อมเบื่อหน่ายในจากขวย่อมเบื่อหน่ายในรูปย่อมเบื่อหน่ายในจากขวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายในจากขวิญญาณเบื่อหน่ายในภาษาและเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายตรงกันข้ามกับตันหาเรียกว่าสัมโรคตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือถ้าตันหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับ พบก็ดับถ้าพบดับตาก็ดับนบนะตาต่อไปในอนาคตก็ดับหรือเสียดายมีอะไรตั้งหลายอย่างที่ยังไม่เห็นเลยเนี่ยที่โนนก็ยังไม่ได้ไปดูที่นี่ก็ยังไม่ได้เห็นเลยนะสีสวยๆก็ยังไม่ได้ไปดูเลยอย่าง้ดอกไม้ดอกนั้นเขาว่างามมากยังไม่เคยเห็นเลยอย่าง้นั่นนะก็บอกว่าถ้ายางงี้ก็เกิดอีก น, น, น, น, น, นานนะถูกผีหลอกไปอีกนานยงเ้่ทุกทวารเลยนะจะต้องเป็นอย่างเนี้ยทวารหูก็เหมือนกัน มันเมื่อเห็นะนะเชื่อมโยงทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันก็ละความสงสัยในอดีตห้าละความสงสัยในอนาคตห้าละความสงสัยในปัจจุบันหเรียกว่าตัดความสงสัยในะละความสงสัยสบหกข้อสิข้อนะสงสัยในอดีตว่างไงบ้างอดีตเราเคยมีแล้วหรือหนอหรือว่าเราไม่เคยมี เราเคยมีแล้วเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอะไรแล้วเป็นอย่างไรหนอเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปอีกหนอก็เลยสงสัยตกลงเป็นอะไรกันแน่เนเราเคยมีหรือเราไม่เคยมีในอดีตเออเราเคยมีสัสตตติทิติเราไม่เคยมีพวกนี้อาทิจะสมุปปณะทิฐิเรามีแล้วเราเป็นอย่างไรหนอวันนี้ก็เป็นทั้งสัสตตสและอุเฉอนะเนี เอ้เราเป็นลักษณะแบบไหนเอ้เราเป็นอะไรแล้วเราเป็นอะไรต่อไปเป็นกรรษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรตายจากกรรษัตริย์เพรพพราหมณ์แพทย์สูตรแล้วไปเป็นอะไรต่อไปอีกเนี่ยนะก็เริ่มสงสัยแล้วแต่ถ้าพิจารณาตามนี้แล้วหายสงสัยยังไงอดีตก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละมันจะไปเรียกว่ากรรษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมันจะไปไหนอ่ะมันจะพ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมล่ะ มันอดีตมันจะเป็นอบายภูมิเป็นสุขติภูมิมันจะเกิดเป็นมนุษย์เทวดาอะไรมันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีตาอาศัยตากับรูปเกิดจากครูวิญญาณก็ทําให้มันมีตาอันนี้เพราะทุกวันนี้จะมีเป็นใครเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถ อ, อะนะจะโวหารบัญญัติว่าเป็นอะไรเมื่อตามองเห็นก็เพื่อสร้างตาต่อไปใน อนาคตมันก็มีอยู่เท่านี้เพรา ะ, ะอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลมันไม่สงสัยเลย ว, ว่าอดีตเราเคยมีหรือเราไม่เคยมีเพราะเรามันไม่มีมีแต่กองทุกขมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอนนตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะที่จริงเรากล่าวตูหลอกหลอกลวงตัวเองว่าเป็นของเราใช่ไหมว่าเป็นเป็นเราถ้ามันเป็นเราจริงมันจะต้องอยู่กับเราจนถึงปัจจุบันให้อยู่อีกก็ไม่เอาอีกใช่หรือ ไม่ขอเอาอีกนะเอาไม่แล้วถ้าตาในอดีตเนี่ยติดมาคู่หนึ่งไม่เอานะเอาไหมตาชาตินี้ติดไปชาติหน้าเอาไปด้วยไม่เอานะเอาหูไปด้วยไหมเอาจมูกไปด้วยไหมเอาฟันไปด้วยซักซี่ไหมไปเกิดชาติหน้าเนี่ยนะมาพร้อมกับฟันคู่เนี่ยไปด้วยออก็ไม่เอาอีกงันหน่งนะและทําไมเราไปหลอกเอาทําไมว่าเป็นของเราที่นี้เมื่อรู้ต้นเหตุว่าอาศัยจากขู่กับรูปเป็นต้นเนี่ยนะ จนถึงมีตันหาวิชาเพื่อให้มีตาต่อไปในอนาคตมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจต่อไปในอนาคตสงสัยไม่ว่าในอนาคตเราเราจกมีหรือเราไม่มีหนอะตกลงเราจกมีหรือเราไม่มีเรามีอนาคตเนี่ยเราจะมีหรือเราไม่มีอานะถ้าพืชเชื้อแห่งปัจจัยยังมีอยู่อนาคตตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จกมี อนะเพราะเพราะเหตุมีแล้วตาหูจมูกเล่นกายใจนี่เป็นเราหรือ ม, มันก็ไม่ใช่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดจากอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมอาหารเนี่ยก่อให้ตาหูจมูกเล่นกายใ จ, จเจริญเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นไม่สงสัยว่าอนาคตเราจากมีหรือไม่หนอไม่สงสัยใช่ไหมหรือเราไม่มีเอ๊ะถ้าเรามีแล้วเราเป็นอะไรเอ๊ะเราเป็นอะไรเราจะเป็นอย่างไรเอ๊ะแล้วเรา ตายจากนั้นแล้วจะเป็นอะไรต่อไปอย่างเงี้ยนะคิดยาวเลยใช่ไหมมีห้าคำนะหนึ่งเราจะมีหรือหนอ2หรือเราไม่มีสมเอ๊ะถ้าเรามีวเราเป็นอะไรแล้วเราเป็นอะไรเนี่ยนะแล้วเราเป็นอย่างไรแล้วเป็นอะไรแล้วจกเป็นอะไรต่อไปอีกเนาะเนี่ยนะก็เลยสงสัยไปเรื่อย ทีนี้เมื่อเชื่อมโยงแยกแยะอย่างชีวิตที่เกิดขึ้นขณะมองเห็นเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างขณะได้ยินเสียงมีองค์ประกอบอะไรบ้างรู้กลิ่นรู้รสใจนึกคิดทั้งหมดเลยเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างสงสัยว่าบัตรนี่เรามีหรือหนอหรือว่าเราไม่มีเราเป็นอย่างไรเราเป็นใครนะก็เอาแต่เราเราเราเข้าไปแปะไปหมดนะทั้งทั้ที่ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงแต่จริงในฐานะเป็นใครเป็นของใครเป็นอะไรใช่ไหมบอกไม่ใช่นะนะ มันก็ละความสงสัยในปัจจุบันทั้งหกประการละความสงสัยในอดีตห้าละความสงสัยในอนาคตห้าละความสงสัยในปัจจุบันหเพราะพิจารณาปฏิจจะอย่างที่พระองค์พิจารณาเนี่ยจะละความสงสัยได้จริงแต่ถ้าไม่คิดตามพระพุท ธ, ธเจ้านะแล้วมาคิดเอาเองเอ้ชาติที่แล้วเราเป็นอะไรขึ้นด้วยเราหมดเลยใช่ไหมไอ้เราเป็นอะไรนะชาติที่แล้วเอ้เมื่อสิบชาติที่แล้วเราเป็นใครนะสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่เราไปทําอะไรอยู่ พระพุทธเจ้าองค์นั hey, came, ้นเราไปอยู่ที่ไหนเออพระพุทธเจ้าองค์กรนะทีปังกรเนี่ยเราอยู่ที่ไหนนตอนนั้นตงสัยเราประมาทมากนะคิดไปเรื่อยนะยิ่งคิดยิ่งฟุ้งเอถ้าพระสีอานมานะเราจะตัดจะเกิดทันไหมเนี่ยถ้าเราพลาดจากศาสนาภรสีอานนล้วเราจะไปเป็นอะไรต่อไปมังคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยมีแต่เราเราเราเราไปเรื่อยเนาะนะเอและชาตินี้เราจะได้ดีเราไม่ได้ดีเนี่ย เราจะเป็นอย่างไรนเนี่ยนะมันดูถ้าจะเจริญหรือจะเสื่อมมันยิ่งคิดยิ่งมีหน้าแลยนะเดือดร้อนหมอจริงๆเราเอายาไปกล่อมพัสสาดเนี่ยนะจะหลับพักผ่อนตะบ้างมันก็สมควรเนี่นะเพราะว่ามันมันตั้งโจทย์ไว้ผิดทําความเข้าใจไว้ผิดไม่มีการแยกแยะคิดเรียกว่าคิดแบบอโยนิโสมนัสการคิดแบบคนคนเข่าคิด น, นะเนี ก็ปกติถ้าเราคิดได้อย่างนั้นนะอันนี้ปกติของคนที่เฝ้าวัตตะเขาคิดกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยคือคิดแบบเพื่อจะออกจากวัตตะก็มีการจําเนกแยกแยะเป็นเหตุเป็นผลเขาค่อยๆไล่ทีละทวาร น, นะค่อยๆไล่ทีละทวารในความเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อมโยงกันต่อไปอย่างนี้มันพระองค์ก็เลยบอกว่าเมื่อพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะก็เลยตัดความสงสัยได้ สำหรับผู้ที่ไม่แทงตลอดปัดจจัยเนี่ยนะไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทในทุกทวารก็จะมีแต่ความสงสัยสงสัยอดีตสงสัยอนาคตสงสัยในปัจจุบันแต่พอมีปัญญาแทงตลอดอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลไม่สงสัยหลังนี้ทั้งหมดถามว่าทำไมจึงไม่สงสัยในหน้า69เนี่ยนับขึ้นบรรทัดเนี่ยถามว่าเพราะเหตุไรทาไมจึงไม่สงสัยแบบนี้เลย ทำไมล่ะเพราะรู้ทั่วถึงธรรมะพร้อมทั้งเหตุอธิบายว่ารู้ชัดรู้ทั่วถึงแทงตลอดธรรมะคือกองทุกทั้งสิ้นมีสังขารเป็นต้นพร้อมด้วยเหตุมีอวิชชาเป็นต้นกองทุกคือสังขารมีอวิชชาเป็นเหตุกองทุกคือวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุกองทุกคือนามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุกองทุกคือสลายตนะมีนามรูปเป็นเหตุกองทุกคือภาษามี สลายตนาเป็นเหตุกองทุกข์คือเวทนามีภาษาเป็นเหตุกองทุกข์กคือตัณหามีเวทนาเป็นเหตุกองทุกข์คืออุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุกองทุกข์คือภพมีอุปาทานเป็นเหตุกองทุกข์คือชาติมีภพเป็นเหตุกองทุก uh ข์คือชรามรณะโสกะปริเทวทุกโธมณะอุปาญาตมีชาติเป็นเหตุมันก็มีแต่กองทุกข์อ่ะมันไม่ใช่ใครทุกทุกในที่นี้แปลว่าทุกในที่นี้คือ ปีละนะสันตาปะวิปริสังคตะวิปรินามะทุกตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ปีละนะเบียดเบียนบีบคั้นสันตาปะเป็นสิ่งที่เร่าร้อนสังคตะล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งในที่สุดวิปรินามะมีแต่ความแตกสลายไปเพราะนั้นคำว่าทุกในที่นี้หมายถึงสี่คำนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะกองทุกทุกคือสันตาปะ ออขออภัยทุกคือปีละนะทุกคือสันตาปะทุกคือสังคตะทุกคือวิปริณามะชรามรณะก็คือทวนอีกครั้งหนึ่งนะปีละนะเบียดเบียนสันตาปะเป็นสิ่งที่เราร้อนร้อนรึรไม่ร้อนก็คนละอุณหภูมิคนละเท่าไหร่นะถ้ามันเกิดเกิน4ี่สิบเมื่อไหร่นะลำบากแล้วนะหมอเนอะ ของร้อนจริ ง, รงๆแหละสันตาปะแล้วก็สังคตะนะกว่าจะปรุงได้ขนาดนี้ถามว่าโยมกว่าจะโตขนาดนี้หมดอาหารไปกี่หม้อแล้วเนี่ยปรุงจริงๆนะกว่าจะได้รูปเพทนาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วถามว่าปแปรไม่คิดว่ามันจะปแปรไปไหมเนี่ยจะอยู่สภาพนี้ไปตลอดไหมไม่แล้วเนาะดูรพรุ่งนี้เนี่ยนะแก่กวันนี้เดี<笑><笑>๋ยวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผ่านไปอีกไม่กี่วนันเดี๋ยวก็แก่กว่าปีนี้นะเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยอย่างนี้แหละเพราะ กองทุกหลังเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้ว่ากองทุกคือชรามรณะในอนาคตเนี่ยนะชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมานัตอุปาญาตในอนาคตเกิดจากอะไรก็เกิดจากการเกิดขึ้นในอนาคตคือชาติชาติในอนาคตที่จะมีมาจากไหนก็มาจากกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเหล่านี้ทำให้มีชาติต่อไปกรรมเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยก็มีความยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเป็นปัจจัย และเราเราเราทุกอย่างมันเราไปหมดมาจากไหนมาจากเวทนานะเวทนาที่เกิดจากทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เกิดความยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเวทนาพวกนี้มาจากไหนมาจากภาษาภาษามาจากไหนก็มาจากเนี่ยเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจมาจากไหนก็มาจากเนี่ยองค์ประกอบคือนามรูปเป็นต้นนามรูปมาจากไหนก็มาจากการเกิด แล้วทำไมจึงมาเกิดชาตินี้แล้วก็สาวไปเรื่อยอย่างไี้มันก็มองเห็นทั้งหมดถ้ารอบรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือกองทุกในอดีตก็คือกองทุกขอนาคตก็คือกองทุกขปัจจุบันก็คือกองทุกขพระองค์ไม่ได้บอกว่าสัตว์แต่โวหารเอาไว้พูดคุยกันก็รู้อยู่แต่ก็ไม่ได้สำคัญว่าเป็นสัตว์เพราะพวกอุเฉท ท, ทิฏิพวกนั้นก็เลยอีกว่าเมื่อวิเคราะห์เขาเขามีการถ่าใช่ไหม พวกที่รักที่ว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะมันจะเข้าใจแบบนี้พระราชาสมัยก่อนก็มีอยู่องค์หนึ่งเรียกว่าเจ้าปายาสิเขาบอกว่าไอ้พวกสมณะพรามนี่เขาชอบพูดว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีสัตว์แล้วตายแล้วเกิดอีกมีอยู่จริงหลอกเราแน่เพราะฉะนั้นเอ๊ะถ้ามันตายเคลื่อนจากชาตินี้ไปชาติหน้ามันจะไปยังไงวิญญาณมันจะออกจากทางไหนเนาก็เลย วิ ญ, ญญาณมันจะออกอยังไงก็เลยเอานักโทษมาสมัยก่อนเนี่ยนักโทษประหารก็เอานักโทษประหารมาเอามาเข้าในตุ่มแล้วก็ปิดให้มันตายเลยนะปิดให้มันตายเสร็จแล้วค่อยๆเปิดแง้มดูที่วิญญาณมันหลุดไปตรงไหนนะก็หาไม่เจออีกเอเอไงก็เลยหาวิธีพิสูจน์ว่าวิญญาณนี่มันออกจากตรงไหนรัดคอก่อนแล้วทวงน้ําก่อนแล้วพาชําแหลกออกมาก็หาวิญญาณไม่เจอแล้วมันไปยังไงกันแน่ของเราเข้าใจไหมถ้าตอบได้ไหมถ้าใครถามแบบนี้ ก็สมมุติถ้าเราคิดถึงบ้านนี้วิญญาณมันออกไปตรงไหนจิตมันมันลอยไปยังไงใช่ไหมพอคิดสมมตินะภาพภาษาธรรมะเลยนะถ้าเราคิดถึงบ้านแว็บนะถ้าบ้านสมมุติว่าจิตดวงจิตเกือบสุดท้ายก่อนจะตายนะคิดถึงบ้านบ้านเป็นภาพปั๊บจิตนี้ดับไปปฏิสนธิเกิดทันทีเนี่ยนะมันไม่ได้มีการจากที่นี่ไปเกิดที่นั่นเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นจึงเกิดถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีถ้าสิ่งนี้ เปลี่ยนไปปั๊บสิ่งนั้นเกิดขึ้นทันทีอย่างสมมติว่าเออเนี่ยจิตทวารตามันเห็นใช่ไหมแล้วมันวิ่งไ ป, ไปฟังยังไงต่อไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นสังคตะธรรมมันเป็นสิ่งที่ถูกปัจใจปรุงแต่งขึ้นผู้ที่มีการใคร่ครวญอย่างละเอียดนี่จะไม่มีคำว่าสงสัยเนี่ยนะไม่สงสัยจริงๆเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผล ก็มีอะไรความจริงในโลกนี้มีแต่ทุกข์กับเหตุแห่งทุกข์ที่ไหลสืบเนื่องกันไปมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกันไปแล้วทุกข์นี้มันดีจริงหรือสุขเวทนามีอยู่แต่สภาวะที่เป็นสุขไม่มีสุขที่เรียกว่าเวทนามีอยู่อันนัเช่นว่าเมื่อได้รับอารมณ์ที่ดีก็สบายใจไปแต่ความสบายอันนี้เป็นเวทนาขันเวทนาตัวนี้ก็ทุกข์เเหมือนกัน คุณคว่าสบายนี้ตลอดไปหรือก็ชั่วคราวความสุขสุขอักขระว่าสุขเวทนาเป็นสุขเมื่อมันตั้งอยู่แต่มันเป็นทุกข์เมื่อมันดับไปก็มองว่ามันก็ยังความสุขยั่งยืนหรือเมื่อไม่ยั่งยืนสิ่งสุขเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อความสุขอันนี้ไม่เที่ยงแล้วมันจะสุขจริงหรือสุขปลอมมันก็สุขปลอมเนยนะอย่างสมมุติถ้าอย่างร่างกายของเราโอ้ยร่างกายสบายมากเนี่ยนะสุขภาพดีเยี่ยม คุณคิดว่าคุณไม่ป่วยเลยหรืออถ้าป่วยแล้วความสบายเหล่านั้นมันหายไปไหนหมดสม่ไอย่างสมมตุติเออที่แขนเราไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยจะยกอะไรก็สบายมันสบายไปหมดเลยถ้าเกิดอะไรมาหล่นใส่ตุ๊บบวมบึ่งขึ้นมาเลยเนะ่อืดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยถามว่าคิดมันจะสบายตามเดิมหรื อ, อแล้วความสบายเหล่านั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วอันนี้สบายจริงหรือเพราะอะไรเพราะไอ้ความทุกข์มันอยู่ในนี้ด้วยทุก ทกุก็ไม่เที่ยงที่มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นจึงเป็นทุกข์แต่หมู่สัตว์ผู้ไม่มีปัญญาก็สำคัญว่าทุกข์เหล่านี้เป็นเราเป็นของเราและเป็นอัตตาของเราคือความเป็นจริงเนี่ยนะคุณจะยึดยังไงมันก็ไม่ใช่เราวันยังค่ำนั่นแหละนะก็เหมือนกับอะไรนะเดินไปบนหอดูนาฬิกาเป็นสูงๆเลยแล้วก็บอกกล่าวตัวว่ารถทุกคันที่มันวิ่งบนถนนเนี่ยรถเราหมดเลย แล้วก็อีกคันหนึ่งชนโครมกับปวดหัวไอ้คันนั้นทำไมรถเราเสียไปอีกแล้วคันหนึ่งนะแต่คันนั่นก็วิ่งเร็วไปแล้วก็ไปนั่งปวดหัวถามว่ามันมันฉลาดไหมคิดแบบนี้ชั้นใดก็ดีกายนี้ก็เหมือนกันนะมันจะปวดหัวมันตัวร้อนเส้นเลือดมันจะสูบมันจะฉีดเลือดมันจะสูบมันจะฉีดอาหารมันจะดูดซึมไม่ดูดซึมกระบวนการเกล่าวตัวว่าเป็นของเราหมดทั้ง ถ้าจริงก็คุมได้ทีหัวาการเต้นของหัวใจก็คุมได้การเต้นของชีพจรการไหลเวียนของเลือดการย่อยอาหารระบบการขับถ่ายต้องคุมได้ทั้งหมดนี้คุมได้จริงหรือลองบอกว่าอย่าปวดเลยอย่าเมื่อยเลยนะอย่าง่วงสิเนี่ยนะอย่าปวดฟันนะมันยอมกันไหมอย่าพิ่งชราสิอยู่ด้วยกันนานๆแข็งแรงต่อไปสิเนี่ยนนั้นก็ยังไม่ได้บริโภคเลยไปเที่ยวนั่นก่อนอะไรกันนะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะ เพราะมันมันกล่าวมันเรียกว่ากล่าวตูหลอกลวงกันจะชัดซึ่งความจริงแล้วมันเป็นใครมันเป็นของใครจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครแต่เพราะความที่เมาเมาคือความเมาคําว่าเมาในที่นี้ภาษาธรรมะหมายถึงว่ายึดถือเพราะความยึดถือความลุ่มหลงค ว, ค, ววลความเข้าใจผิดความวิปลาสความเข้าใจคลาดเคลื่อน พอเข้าใจคลาดเคลื่อนก็หลอกตัวเองหลอกตัวเองไปวันวันว่านี่เรานี่ของเรานี้อัตตาของเราก็หลอกตัวเองหลอกแล้วยิ่งหลอกยิ่งยิ่งหลอกยิ่งเป็นหนักเอาสิยิ่งหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นทีนี้เอ๊ถามว่าเราก็ปล่อยสิว่าทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราถ้าพวกนี้พอพอปล่อยแบบนี้นะโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยกลายเป็นพวกไม่มีจริยธรรมอะไรเลย เป็นคนที่มีความประพฤติเลวซ้ำมากถ้าข้อมูลพื้นฐานไม่ดีนั้นธรรมะกลุ่มนี้เนี่ยโดยเฉพาะหลักการเหล่านี้พระพุทธเจ้าจะไม่แสดงแก่คนที่ศีลไม่ดีจะไม่แสดงแก่คนที่ไม่มีสามัญยญสํานึกที่ดีพระองค์จะแสดงแค่ว่าประกาศปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นดังที่กล่าวไปเนี่ยน ะ, ะสั่งยุทธด้วยสุญญาตาคําสอนแบบนี้จะแสดงแก่ผู้มีศีลดีเนี่ยนะผู้มีกรรมสศกตาอย่างดีเยี่ยม เรีกว่าเป็นผู้มีศีลกับกรรมมสัสกาตาแล้วพระองค์จึงแสดงคำสอนเหล่านี้ให้ฟังเพราะพวกอ่ะนะพวกคนเลวทั้งหลายมันก็หาช่องอยากกะทำเลวมานานแล้วนะอยากจะปล่อยกายปล่อยใจเต็มที่พอมาฟังคำสอนบอกไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคุณจะไปยึดถือทำไมเนี่ยนะไปยึดอย่าไปยึดมากสิใช่วิธีขอสตังไปเที่ยวก็ทำยังไง นี่ให้คุณแม่ยึดมากยึดถือมากเขาปล่อยๆยซะบ้างสิเอาตังมาผมจะได้ไปเที่ยวอย่างไงนะบางทีก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของคนเลวเหนะ็นไหมเป็นกลนี่เรียกว่าเป็นเป็นเล่เทศทุบายของคนลวงเนี่ยนะยังใช่บางคนนี่ก็กลายสอนให้คนอื่นเนี่ยพระสมัยพุทธการมีรูปหนึ่งวิธีท่านไปเทศนะโยมเอออย่าไปยึดมั่นอย่าไปถือมั่นพระพิสุอย่าไปยึดมั่นถือมั่น พระเลยช่วยกันบริจาคจีวรท่านขนจีวรไปเป็นเล่มเกวียนเลยนะสอนให้คนอื่นอย่ายึดมั่นถือมั่นหมดนะแต่ท่านไปที่ไหนท่านจะมีจีวรเป็นเกวียนเนี่ยนะชื่อว่าพระนันพร ะ, ะพระอุปนันทะเนี่ยนะมีอยู่รูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนะี่ยเชื่อว่าพระอุปนันธาสักยะไปสอนให้คนอื่นละคลายปล่อยวางหมดแต่ตัวเองเก็บมาเรียบและขนไปเลยนะนะกลุมอย่างนี้ก็มีอยู่นะสมัยพุทธกาลมีอยู่ท่านหนึ่งสรุปทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า พุทธพจน์ในในหน้าสองใช่ไหมที่ในคถานะที่บอกว่าทมทั้งหลายมาปรากฏแก่พรามผู้เพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมมาสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งธรรมะพร้อมด้วยเหตุในหน้า69ย่อหน้าล่างที่สุดอธิบายอธิบายว่าก็เมื่อไรโพธิปักขยธรรมหรือจตุสัจธรรม โพธิปักคยธรรมทั้งหมดมีเท่าไร37หมายถึงกุศลธรรมเต็มเปี่ยมบริบูรณ์หรือการแทงตลอดอริยสัพจะทรรมปรากฏเกิดขึ้นแจ่มแจ้งแก่พรามนั้นคือผู้มีปัญญานั้นผู้ลอยบุญลอยบาปนั้นในวิปัสนาญาณและมัคคานคำว่าโพธิปักคยธรรมหรือจะตุศัพจะธรรมนี่เขาแบ่งออกเป็น2ระดับคือระดับวิปัสนาญาณกับระดับมัคคิ ในสองอย่างนั้นพึงทราบวิปัสนาญาณก่อนทำทั้งหลายมีสติเป็นต้นที่สัมปยุตด้วยวิปัสนาญาณและวิปัสนาญาณเมื่อละสุภาสัญญาเป็นต้นด้วยอำนาจตทางฆาปหานในอารมณ์ของตนจึงเกิดขึ้นเป็นส่วนๆโดยอนุปัสนามีกายานุปัสนาเป็นต้นอโพธิปัจขยธรรมคืออะไรคือสติประธานสีสัมมาประธานสีอิธิบาทสีอินทรียห้พละหโพชองเจ็อริยมัสมีองค์8 เลยเรียกว่ามรคแปดเนี่ยนะเรียกว่าทั้งหมดนี้มีอยู่เจ็ดกลุ่มมี37หัวข้อใน37หัวข้อถ้าย่อมาก็มีประมาณ14องค์ธรรมหรือ14สภาวะเนี่ยนะก็มีอะไรบ้างก็มีสติเป็นต้นทีนี้สติก็แบ่งออกเป็นสติมี4ใช่นะสติประธาน4ี่คือกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนา ถ้าสติที่เกิดร่วมกับกายานุปัสนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกสติอันนี้พิจารณารูปปัจขันธ์พิจารณารูปปัจขันธ์เมื่อพิจารณารูปปัจขันธ์นั้นละวิปลาสคือสุภาษณ์ ญ, ญาสติที่พิจารณากายสามารถละสุภาษณ์ ญ, ญาได้อย่างนี้เรียกว่ากายานุปัสนา สติที่เกิดขึ้นพิจารณาเวทนาละสุขสัญญาได้ละสุขวิปลาดได้อันนี้เป็นเวทนานุปัสนาสติที่พิจารณาจิตเนี่ยนะละนิจจะวิปลาดได้เป็นจิตานุปัสนาสติที่เกิดขึ้นพิจารณาธรรมะละอัตตวิปลาดได้เป็นธรรมานุปัสนานนะถ้าสติเกิดขึ้นเนี่ยนะสติเกิดขึ้นความเพียรเกิดขึ้น สติที่เกิดขึ้นนี้เป็นสติประธานเป็นสตินีสติภละเป็นสัมมาสติเป็นสติสัมโพชงความเพียรที่เกิดขึ้นเกิดร่วมกับสติความเพียร น, นั้นเป็นสัมมะประธานเป็นวิมังอ่วิริยิบาทเป็นวิรยิยธิบาตวิริยะอ่าวิริยินศีวิริยะภละวิรยิร ย, ะรยะสัมโพชงและสัมมาวายามะก็เกิดขึ้นอันนี้ในขณะวิปัสนาเนี่ย น, นะคือในขณะพิจารณาเพ่งเพียร เพื่อจะละวิปลาสทั้งหลายแต่ในขณะมัชธรรมเหล่านั้นทั้งหมดธรรมะเหล่านั้นคืออะไรคือโพธิปักขิยธรรมทั้ง37เหล่านั้นเนี่ยนะเมื่อหน่วงเอาพระนิพพานอ่ะนะโพธิปัจขิยธรรมที่สมบูรณ์นั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ละธรรมะที่เป็นปฏิปักด้วยสมุทเฉทประหารเนี่ยนะเป็นเหมือนกับดาบ ดาบพิเศษที่สามารถตัดเยื่อใยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะเกิดขึ้นคราวเดียวเท่านั้นสําเร็จการแทงตลอดโดยไม่งมงายคือโดยอสัมโมหะในอริยสัต์ทั้งสี่ก็แทงตลอดอแทงตลอดอริยสัตจทั้งสด้วยอํานาจของโพธิปัจจะธรรมดังั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญโพธิปัจจะธรรมในขณะโลกิยะเพื่อให้โพธิปัจจยธรรมในขณะโลกุตระเกิดขึ้น ในข้อนี้เพึง่งทราบว่าโพธิปักขยธรรมปรากฏด้วยอัตถะว่าเกิดขึ้นด้วยประการชนิดก่อนเขาก็<ๆ>มีแบ่งออกเป็นสองในใช่ไหมในคาถา <c oughs> ที่บอกว่าในการใดโพธิปัจขยธรรมทั้งหลายมาปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งธรรมะพร้อมด้วยเหตุ <c oughs> อันนี้หมายถึงว่าโพธิปักขยธรรม ปรากฏขึ้นมาปรากฏนี่หมายความว่ามันอยู่ๆแล้วมันโผล่ขึ้นมาเลยใช่ไหมเอ้าปรากฏแปลว่าอะไรปรากฏนี่แปลว่าเจริญจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วจนโพธิปักขยธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเจริญจนได้ที่แล้วเนี่ยนะจนสามารถตัดความสงสัยเพราะรู้เหตุรู้ปัจจัยทั้งหมดได้อันนี้ไหนที่หนึ่งนะ นัยยะที่สองคือเมื่อใดอริยสัจจะทมทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ธรรมะตัวนั้นเนี่ยแบ่งเป็นโพธิปักขยะธรรมนี้ข้อที่1กลุ่มที่1กลุ่มที่สองอริยสัจจะทมเพราะคำว่าธรรมะนี่มันเป็นศัพที่เป็นกลางๆงใช่ไหมแต่ตรงนี้อัตตกถาท่านอธิบายไว้สองในคือโพธิปัขยธรรมกับอริยสัจจะธรรม ในหน้า70กลางๆหน้าบอกว่าก็เพิ่งทราบอริยสัจธรรมฝ่ายโลกิยะกับฝ่ายโลกุตระปรากฏขึ้นอริยสัจธรรมฝ่ายโลกิยะปรากฏด้วยอำนาจด้วยการทำวิปัสนาให้เป็นอารมณ์ในขณะวิปัสนาคือเจริญวิปัสนาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อลับวิปลาดดังกล่าวไปแล้วส่วนอริยสัจธรรมฝ่ายโลกุตระปรากฏด้วยภาวะที่น้อมไปในโลกุตระธรรมนั้น พึงทราบว่านิโรสัจจะปรากฏหมายคำว่าเพียนเพ่งจนปรากฏแทงตลอดพระนิพพานด้วยการตรัสรู้โดยอารมณ์ในขณะมักคืออริยมัคเกิดขึ้นเนี่ยนะแทงตลอดพระนิพพานโดยอารมณ์หรือนิโรสัจจะพึงทราบว่าทั้งหมดปรากฏด้วยอัตถว่าแจ่มแจ้งปรากฏชัดโดยการตรัสรู้กิจตรัสรู้กิจในทุกสัตว์ในสมุทัยสัตว์ตรัสรู้นิโรสัจจะโดย อารมณ์อริยมรรคนี่เมื่อเกิดขึ้นนะตรัสรู้ทุกสมุทัยโดยกิจตรัสรู้นิโรธโดยอารมณ์ดังนั้นสรุปพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เมื่อธรรมะทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยนะธรรมะทั้งหมดคือโพธิปัจจะธรรมอริยสัจธรรมปรากฏแก่พระยานของพระองค์โดยอาการทั้งปวงทรงพิจารณาปัจจัยการนั้นเพราะปัจจัยการเป็นสภาพละเอียดลึกซึ้ง เห็นได้แสนยากเหตุทรงทําความมั่นใจวิปัสนาโดยมุก ค, คือปฏิจจสมุปบาทวิปัสนาภูมินี่มีอะไรบ้างขันอายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจพระพุทธเจ้าเจริญวิปัสนาแนวปฏิจจสมุปบาทวิปัสนามุก ค, คือปฏิจจสมุปบาททรงเกิดโสมนัติอย่างรุนแรงจึงเปล่งอุทานในข้อนี้ อันแสดงถึงอนุภาพการตรัสรู้ปัจจัยการนั้นของพระองค์พร้อมเนี่ยนะโดยเป็นปัจจัยในการตัดปฏิปักษธรรมได้เด็ดขาดเมื่อแทงตลอดปัจจัยการอย่างเนี้ยตัดปฏิปักษธรรมเนี่ยตัดอะไรปฏิปักษเนี่ยฆ่าศัตรูออกไปศัตรูนั้นคืออะไรความสงสัยพระองค์เนี่ยเมื่อตรัสรู้อย่างเนี้ยฆ่าศัตรูคือความสงสัยได้เด็ดขาด ส่วนรายละเอียดที่เหลือเนี่ยนะหลังจากนี้ไปก็ขยายสับเป็นส่วนใหญ่ไม่กล่าวเนี่ยนะไม่ไม่ไม่อธิบายถือว่าสูตรที่หนึ่งก็จบด้วยดีสรุปว่าสูตรที่1ผ่านไปนะพระองค์พิจารณาอยู่สี่ชั่วโมงของเราเรียน เ, เรียนสูตรเดียวเช้าบ่ายค่าก็ได้เวลาได้อะไรนะถือว่าไม่ใช่เวลาไม่น้อยเลยนะแต่ก็จําได้แต่หัวข้อก็ดีแล้วนิโมธนาด้วย จะต่อไปจะได้พิจารณาลึกๆขึ้นเนี่ยนะอย่าเพิ่งเรียบบรรลุเลยเนี่ยนะให้ให้ทำความเข้าใจให้มากตอนนี้ก่อนเพื่อจะได้ละโมหะมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะก็ามายังนึกในใจนะถ้าเรารู้แค่นี้แล้วบรรลุนะั่แหมมันว่าดูถูกพระธรรมมากไปเหมกันนะรู้นิด ๆ, ๆี่หน่อยบรรลุได้ยังไงเนี่ยนะแปลกใจมากเลยนะนั่นก็ศึกษาให้ละเอียดให้ลึกซึง้งห้อะไรนะให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยตรัสรูท้ทำมันเลิศด้วยปัญญาเร็วๆนี่ไม่เพียงพอหรอกเนี่ยนะ แต่ถ้าใครมีบุญก็อนุโมทนาด้วยมาดูสูตรที่สองเลยนะสูตรที่สองเนี่ยแปสูตรเพิ่งได้สูตรเดียวนยีสูตรที่สองเรียกว่าธุติยะโพธิสูตรปฏิจจสมุบาทเป็นปฏิโลมข้อ39ม้าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรูใ้ใหม่ๆตรัสรู้ใหม่แปล ว, ว่าตรัสรู้ก่อนกว่าคนอื่นทั้งหมดช่วงนั้นยังไม่มีใครตรัสรู้เลย พระ อ, องค์ก็ยังประทับอยู่ที่โคนต้นโพใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชาที่ตําบลอุรุเวลาก็สมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขด้วยบลังอันเดียวตลอดเจวันพอล่วงสัปดาห์นั้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธินั้นแล้วออกจากสมาธิคืออรหัตตผลสมาธินั้นแล้วทรงมนสิการปฏิจจสมุบาทอันเป็นปฏิโลมด้วยดี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 ไม่มีสัตว์ที่ไหนไปดับใช่ไหมมีแต่กองทุกเท่านั้นที่ที่ดับนะเนี่ยนะบอกว่าถ้ากองสุกโอ้ยถ้าสุกไม่ต้องดับแล้วให้มันเกิดน้นๆนัๆ้นแหละนาน ๆ, ๆดีแต่นี่หมายถึงว่าตรัสรู้ต้นเหตุที่ทำให้ดับทุกได้นั่นแนหะละลาดับนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว น, นะเนย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 โพธิปัจขยธรรม 2. อริยสัจธรรมเมื่อโพธิปักขยธรรมหรืออริยสัจธรรมเนี่ยปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่อย่างนี้ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหม์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะรู้แจ้งความสินนนมสนมส้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายรู้ความสิ้นรู้ความสิ้นไปแห่งปัจใจเนี่ยนะทำให้ตัดความสงสัยได้โดยประการทั้งปวงสูตรก่อนนี้รู้อะไร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 เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับคือสังขารดับไปเนี่ยนะเพราะอวิชชาดับวิญญาณดับไปเพราะสังขารดับนามรูปดับเพราะวิญญาณดับเป็นต้นเนี่ยนะไอการรู้ความความสิ้นไปความดับไปความหมดไปแห่งปัจจัยเนี่ยนะปัจจยุบันคือผลนั้นดับอย่างนี้แหละเรียกว่าปฏิโลมเพราะอะไรเพราะไม่ทากิจที่ตนควรทา ตอนก่อนเนี่ยอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารนะทำงานเต็มที่เลยตรงนี้พอประหารพอประหารเหตุปั๊บเนี่ยผลก็เลยดับๆ ด, ด, ดับไปอย่างนั้นแหละเขาบอกว่าปฏิจจสมุปาทเนี่ยนะมันมีเขาคิดแบบรถไฟวางง่า้นเรียกว่าสังสารจักรเนี่ยนะมันมีหัวจักรอยู่สองหัวถ้าตัดหัวจักรนี้ได้คว่ำทิ้งซะรถไฟโรดเนี่ยเลิกอย่างเดียวหัวจักรคืออวิชากับตันหาถ้าตัด2หัวนี้ได้นะจบเลย อวิชชาตัดด้วยวิปัสนาตัญหาตัดด้วยสมถะแต่เชื่อไหมว่าถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งตัดไม่ได้สมถาวิปัสนาต้องคู่กันเคียงคู่กันนะจึงตัดได้วันวิปัสนายางเดียวก็ตัดไม่ได้สมถะย่างเดียวก็ตัดไม่ไ ด, ด, ต ด, ไได้ต่อเมื่อเคียงคู่ขนานกันจึงตัดได้ ต่อไปเลยนะในหน้าเจ็ดสบบอกว่าอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปฏิโลมเพราะย้อนความเป็นไปก็เพราะไม่ได้กล่าวถึงตั้งแต่ที่สุดหรือท่ามกลางจนถึงเบื้องต้นในที่นี้ความที่ปัจจยาการเป็นปฏิโลมโดยความอื่นจากนี้ไม่ถูกต้องอนะนพวกนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเครื่องการอธิบายสับแสงไปเพะนั้นคำว่าปฏิโลมคืออนุโลมหมายว่าพูดพูดเหตุผลเหตุผลเหตุผลแต่ปฏิโลมปั๊บตรงกันข้ามเลย อนุโลมนี่คือทุกขสั์กับสมุทยัยสัจจะปฏิโลมคือนิโรสัรจกับมรรสัรจจะเนี่ยนะอธิบายอัปฏิโลมปฏิโลมแบบย่อใช่ไหมอิมัสมิงอัศาติอาาตีอาาอาทางังณโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีหมายคำว่าเมื่อปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นไม่มีคือที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันเกิดดับใช่ไหม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 พันเมื่ออริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นประหารอาวิชชาทั้งหมดถ้าอาวิชชาดับผลมีสังขารเป็นต้นก็ไม่มีดับเลยนีนะว่าเรียกว่าถ้าหัวขาดสะอย่างเดียวเนี่ยนะขาจะขยันเดินขนาดไหนก็ให้มันตาแล้วจบเลยนะถ้าหัวขาดไปแล้วอิมัสะนิโรธาอิทังนิรุตเชติความว่าเพราะปัจจัยมียวิชาเป็นต้นนี้ดับคือเพราะมรรค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 เด็ดขาดแล้วเนี่ยนะอวิชานี่เป็นรากนะเป็นเหตุปัจจัยเป็นรากแก้วของสังสารวัตเนี่ยนะเป็นรากแก้วของวัตตะถ้าตัดรากแก้วรากแก้วก็คื อ, คอรากที่มันหนาแ น, น่นและมั่นคงมากถ้าถอนรากถอนโคนอันนี้ได้หมดสิ้นแล้วสังสารทุกข์ก็เป็นอันจบเลยน่าเสียดายทีนี้อันนั้นที่อธิบายไปเรียกว่าพูดแสดงแบบโดยย่อถ้าโดยพิสดารมาดูนะพิสดารว่า อวิชานิโรธาสังขานิโรโทรเพราะอาวิชาดับสังขาจรจึงดับเนี่ยนะอวิชานิโรธาความว่าเพราะอาวิชานี่นะดับเด็ดขาดโดยอริยมรรคอธิบายว่าเพราะอาวิชาถูกอรหัตมรรคถอนขึ้นได้โดยเด็ดขาดด้วยการประหารอนุสัยอวิชานี่เกิดขึ้นแทงตลอดอริยสัตว์โดยไม่มีส่วนเหลือเลยนะมองอะไรเป็นอริยสัตว์หมดเลย ไม่ใช่คิดถึงอริยสัจไดทุกคำนะแต่หมายว่าแทงตลอดอริยสัจจริงๆ จ, จ, จนประหารอาวิชชาได้โดยเด็ดขาดในทุกที่ทุกอารมณ์เนี่ยนะหมายคําว่าเห็นทุกอย่างเข้าพระสมาบัติได้หมดเลยประหารกิเลส ท, ที่มีกําลังได้หมดเลยแม้ถ้าอาวิชชาเมื่อถูกมักเบื้องต่ำละได้ก็ย่อมละได้เฉพาะอํานาจถอนขึ้นได้โดยส่วนเดียวก็จริงถึงกระนั้น โซดาปฏิมักสกะทาคามีมักอนาคามีมักก็ Shap OK. ยังละอวิชาไม่ได้อย่างสิ้นเชิงเนีย่ยนะมักเบื้องล่างตัดอวิชาได้อย่างไม่สิ้นเชิงก็อวิชาที่นำไปสู่อบายที่นำไปเกิดในนรกเปรตอสุรากายและเดราชาที่นำไปเกิดในภพที่8เป็นต้นเนี่ยนะอวิชานั้นถูกโสดาปฏิมักตัดได้โสดาปฏิมักคือปฐมมักตัดได้ส่วนอวิชาที่นำมาเกิด ในภพที่สองเป็นต้นสก่ทาคามิมักตัดได้อวิชาที่นำมาเกิดในกามาภพอนาคามีมักคือมักที่สเนี่ยตัดได้ส่วนอวิชาที่เหลือคือสุดท้ายเนี่ยนะที่นำไปเกิดในรูปประพบเป็นต้นเนี่ยอรหัตตะมักจึงจักละได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้น อ, อ, อ, อวิชาเนี่ยต้องถอนด้วยสี่มักนะจึงจะเด็ดขาดจริงๆ เพราะอยู่ๆ อ, อรหัตมร์กเกิดพรวดขึ้นมาเลยไม่ได้จะต้องเกิดโดยลําดับมร์จะต้องเกิดโดยลําดับมร์ดโส ด, ด, ดาปฏิมร์กเกิดก่อนนะแล้วก็ทําปัจเจกขณะยานตามสมควรนู่นแหละแล้วเจริญวิปัสนาแล้วสกะทาคามีมร์จึงเกิดเมื่อสกะทาคามีมร์เกิดสกะทาคามีผลก็เกิดขึ้นปัจเจกขณะยานเจริญวิปัสนาใหม่เนี่ยนะจนอนาคามีมร์เกิดเมื่ออนาคามีมร์เกิด อาาคามีผลเกิดมีปัจเจกขณะยานแล้วเจริญวิปั ส, สนาขึ้นใหม่อารหัตตมรจึงเกิดว่างั้นนะสี่รอบด้วยกันเนี่ย น, นะทำกิจในการแทงตลอดอริยรสัจสี่รอบนั่นแหละจึงจะตัดอวิชชาได้อย่างไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะถ้าแบบภาษาแพทย์หน่อยก็บอกว่าใช้ยาสี่เข็มจึงจะหายเด็ดขาดแ่างกันนะนะเข็มที่หน่งโสดาปฏิมาขึ้นไหมก็จนถึงนั่นเข็มสุดท้ายคืออารหัตตมรจึงสิ้นเชื้อเนี่ย น, นะ จึง ส, สิ้นเชื้อคื อ, อวิชาได้อย่างเด็ดขาดมันคล้ายๆกับเชื้ออะไรนะเชื้อมาลาเรียไมาลาเรียต้องอะไรนะเรียกว่ากินยานหนึ่งชุดเข้าไปนะแกได้ขนาดนี้แล้วก็ต้องกินสี่ครั้งเงี้ยมันจึงจะหายนึกถึงเพราะเคยเป็นมาลาเรียมาสังขารนิโรธเนี่ยนะแปลว่าความดับสังขารก็คือสังขารไม่เกิดขึ้นหมดสภาพ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 อย่าเอาวันเวลามาวัดเลยเอาอารหัตตมักวัดเขาว่าถ้าเจริญอรหัตตมักโพธิปักจะธรรมไม่บริบูรณ์ก็ได้แต่หวังแบบลมแบบแรงลมลมแรงแรงอย่นั้นแหละ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งในที่นี้เพราะวิชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันกล่าวว่ากองทุกทั้งมวลดับไปโดยสิ้นเชิงแม้ด้วยเหตุ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 หมายถางว่าตัดอาหารเนี่ยนะถูกตัดอาหารตัดถ้าตัดอาหารได้โดยเด็ดขาดไปแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เกิดเพราะอาหารนี่จกอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้นี่ก็เหมือนกันถ้าตัดอาหารคืออาหารคืออวิชาได้เด็ดขาดสังขารก็ดับอย่างเด็ดขาดก็เลยกล่าวว่าอาวิชานิโรธาสังขานิโรโทสังขานิโรธาวิญญาณิโรโทวิญญาณิโรทานามารูปนิโรโทเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงอิมัสะ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 มักที่เกิดขึ้นเนี่ยดับทุกในอนาคตใช่ไหมถ้าดับทุกในอนาคตทุกมันยังไม่เกิดแล้วไปดับมันทําไมเขาก็มีเรื่องคล้ายๆแบบเนี้นะคล้ายๆกับว่ามีหมอคนหนึ่งไปหาหมอเรียกว่าคนไข้ฝียังไม่เกิดเลยแต่บอกคนเนี้ยแกจะเป็นฝีนะามาฉันจะผาให้ฝีเขายังไม่มีเลยแล้วก็มาผาฝีให้เขาเสร็จแล้วก็เย็บแผลแล้วเรียกเงินเรีย ก, ยกสตังค์นะเขาจะยอมไหม นี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าดับทุกในอนาคตเอามันยังไม่เกิดซะหน่อยแล้วไะดับมันทําไมเพราะนั้นคําว่าดับทุกในอนาคตหมายที่นี้หมายคว่าตัดเชื้อหมายความว่าเชื้อตัวนี้ถ้ายังมีอยู่กองทุกในอนาคตก็มีเพราะฉะนั้นไอการตัดเชื้อแบบนี้แหละเหมือนกับการตัดกองทุกในอนาคตเหมือนกับตัดปัญหาในอนาคตรู้ว่าต้นเหตุของปัญหามาจากอย่างนี้นะถ้าตัดปัญหาซะผลอันนั้นก็ก็หมดนั่นเ ทีนี้พระองค์เนี่ยพอพิจารณาความสิ้นไปแห่งปัจจัยว่าเออเนี่ยถ้าวิชาดับนะสังขารก็ดับถ้าสังขารดับปญญานก็ดับเป็นต้นใคร่ครวญใคร่ครวญแบบนี้ไม่ใช่ใคร่ครวญธรรมดานะสี่ชั่วโมงเขามายังนึกในใจว่าพระองค์ใคร่ครวญยังไงเนี่ยยังยังต้องไปเรียนต่ออีกเนี่ยว่าคิดยังไงตั้งสี่ชั่วโมงเนี่ยนะยังบางเรื่องยังนึกไม่ออกเลยพระองค์คิดยังไงนะคิดว่าอะไรมาตั้งสี่ชั่วโมงแล้วปัญญาพระพุทธเจ้าไม่ใช่แบบเราๆนะ แบบเราเราเนี่ยนะเห็นก็ตามอักษรไปอย่างที่อัตถกถาในสั่งยุตนิกายท่านบอกว่าช่วเวลาหายใจเข้าออกเนี่ยนะหายใจเข้าลึกๆอย่างเดียวเนี่ยพระองค์ละลึกได้9กบเกลับปัญญาขนาดนั้นเนี่ยนะทั้งสีชั่วโมงเนี่ยยังนึกในใจว่าพราะองค์คิดว่ายังไงเนี่ยนะคิดถึงแค่ไหนอะไรยังไงก็ไม่ใช่สงสยัยนะครับลักษณะวิจิกิจชาแต่ว่ามีฉันทะอยากจะรู้จริงๆว่า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 ในข้อนี้มีเนื้อความโดยสังเขปดังต่อไปนี้ว่าเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทั่วถึงแทงตลอดความสิ้นไปกล่าวคือความดับความไม่เกิดขึ้นแห่งปัจจยธรรมมียวิชาเป็นต้นฉะนั้นโพธิปัจจัยธรรมหรือจตุสัจธรรมมีประการดังกล่าวแล้วปรากฏเกิดขึ้นหรือเจมชัดแก่พราหมณ์คือพระอรหันต์นั้นนะ น, นะผู้มีความเพียรเพ่งอยู่โดยนยะ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 ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ด้วยโพธิปัจขยธรรมที่เกิดขึ้นเหล่านั้นอา น, นุภาพของโพธิปัจขยธรรม37ประการเนี่ยนะกำจัดมารคือกิเลสมารแล ะ, เ, ะเสนาคือบริวารของมารทั้งหลายก็ถูกกำจัดไปหมดด้วยอำนาจของโพธิปัจขยธรรมหรือด้วยอำนาจอริยมรรคยานอริยมรนี่แหละเป็นเหตุให้ ปรากฏแห่งจตุสัจธรรมคืออริยสัจธรรมทั้งสประการปรากฏเกิดขึ้นเพราะอริยมรตกปรากฏบทว่าวิทูปยังติดทติมาราเสนังความว่ากำจัดขจัดทำลายมานและเสนามานมีประการดังกล่าวแล้วโดยในเป็นต้นว่ากามเหล่านั้นเป็นกองทัพที่หนึ่งของมานมานเขามีกองทัพที่หนึ่งคือกามเป็นต้น ในปรัพชาสูตรเนี่ยนะจะมีกล่าวเอาไว้ถามว่ากำจัดอย่างไรอุปมาเหมือนอะไรตอบว่าเหมือนพระอาทิตย์เวลาเกิดเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นก็ทำอากาศให้สว่างสวัยอธิบายว่าพระอาทิตย์โคจรคือท่องไปเนี่ยนะทำอากาศให้สว่างสวัยด้วยรัศมีของตนแล้วกำจัดความมืดลอยอยู่ฉันใดพรามผู้ขีนาศพขี่นบวกอาสวะเนี่ยนะ แปลว่าผู้สิ้นอาสะวะแม้นั้นก็ฉันนั้นแทงตลอดสัจจะคืออริยสัจธรรมทั้ง4เหล่านั้นหรือแทงตลอดด้วยมรรคยานนั้นชื่อว่าย่อมกำจัดมานและเสนามานเสียได้ไเพราะแทงตลอดอริยสัจโดยถูกต้องโดยประการทั้งปวงนี่แหละจึงกำจัดกิเลสมานกำจัดบาปอากุศลได้โดยประการทั้งปวง สรุป3สูตรเลยนะสรุป3สูตรในยามทั้ง3ยามสามมีไรปฐมายามมัชชิมายามและปัชชิมายามปฐมายามคือ6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มมัชชิมายามคือสี่ทุ่มถึงตีสองปัชชิมายามคือตีสอถึง6กโมงเช้านะี่ยนะในยามทั้ง3าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอุทานทั้ง3เหล่านี้อันประกาศอนุภาพแห่งการรู้ชัดปัจจัยการในยามที่1 4ี่ชั่วโมงแรกเน้นเน้นตัวปัจจัย อันนั้นเน้นความเกิดขึ้นของปัจจัยยามที่สองคือเน้นความดับไปแห่งปัจจัยอันนั้นเน้น เ, เรียกว่าปฐมยามเน้นความเกิดมัชิมยามเน้นความเสื่อมปัจฉิมยามคือยามที่สามเน้นการบรรลุอริยมรรคเน้นว่าอาริยมรรคเกิดขึ้นได้อย่างไรด้วยประการชนี้ถามว่าในราตรีไหนคืนไหนที่พระ อ, องค์พิจารณาทั้งคืนขนาดนี้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 หัวค่ำยามโผล่เพลเนี่ยกำจัดมารใช่ไหมอันนี้กําจัดเทวปุตตมารได้จริงๆไม่ได้ไปฆ่าอะไรเขาหรอกระลึกถึงวารามีเขาก็เลยกลัวหนีไปนี่นะเสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เจริญอาณาปานสตินี่นะแป๊บเดียวพระองค์ก็ได้ฌาน4ีล่ละหลังจากนั้นพระองค์ก็ระลึกปุปเพนิวาสานุสติยานคือระลึกชาติ4ชั่วโมงนี่นะระลึกชาติอันนี้คืนวิสาขานะ เดี๋ยวเอกไม่กี่วันจะถึงวันวิสาขะแล้วใช่ไหมจะได้ระลึกถูกว่า4ชั่วโมงแรกคือ6กโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มเนี่ยระลึกชาติอย่างเดียว4ี่ทุ่มถึงตีสองชัมระทิพจักสุ ญ, ญานคือพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายพิจารณาหมู่สัตว์ที่เป็นไปตามกรรมอนนเที่ยงเอ่อสบายสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยพิจารณาหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเป็นการพิจารณาแบบโหจักรวาน เป็นเป็นหมื่นจั ก, กรวาลเลยแหละเนี่ยนะไม่ใช่พิจารณาแค่เฉพาะหน้าอะไรหรอกพิจารณาเป็นหมื่นจั ก, กรวาลส่ว so, นหลังหลังจากตีสองเป็นต้นไปก็ยังลงเขาเรียกว่าทรงอย่างพระยามลงในปฏิจจสมุปบาทในปัจฉิมยามทรงพิจารณาสังขารอันเป็นไปในภูมิสมโดยนัยะต่างๆนะโดยนัยะต่างๆที่กว้างขวา ง, วางลึกซึ้งเนี่ยนะทรงดําริว่าบัดนี้อรุณจะขึ้นก็ได้บรรลุ พระสัมมาสัมโพธิญาณในลําดับที่เกิดพระสัพพัญยุตยานอรุณก็ขึ้นหมายค่ะว่าพออรหัตตมัคคายานที่เรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณอรยม er ัคคายานเกิดขึ้นอรหัตตผลก็เกิดหลังจากอรหัตตผลเกิดขึ้นสัพพัญยุตยานก็เกิดขึ้นสัพพัญยุตยานี้เป็นชื่อของมหากิริยาญาณสัมปยุทธ์นะอภิสัมโพธิญาณนี้เป็นชื่อของอรหัตตมัคคายาน หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงยับยั้งประทับนั่งณนะควงโรพพฤกโดยบลังเดียวนั่นแหละเจ็ดวันเ น, นี่ยนะก็คือพอในราตรีวันวันหนึ่งคำ่ำอันนั้นในวันปาติบทก็มนสิการถึงปฏิจจสมุบาตโดยในยะที่กล่าวแล้วในยามทั้งสามส่วนการพิจารณา ทั้งคืนเนี่ยนะคืนวันปาติบทนะวันปาติบทก็แรม1ค่ำสค่ำามค่ำสีค่ห้าค่ำหกค่าเจค่ำเนี่ยในราตรีที่7หมายคืว่าคืนที่7ก็แสดงว่าประมาณ6ค่ำเนี่ยพระองค์พิจารณาธรรมะทั้งคืนนนะแต่มาในขันธกะทั้ง3วาระขันธกะนี่คือที่ไหนวินัยปิดกฉบับเราเนี่อยู่เล่มที่6เนี่ยเล่มเล่มที่ 6, ขันธกะ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 พระผู้มีพระภาคเจ้ามานสิการอย่างนี้ในยามทั้ง3แล้วทรงเปล่งอุทานเหล่านี้อย่างนี้คืออุทานที่1ด้วยอํานาจการพิจารณาปัจยาการอุทานที่สองด้วยอํานาจการพิจารณาพระนิพพานอุทานที่สด้วยอํานาจการพิจารณาอริยมรรคคานั้นก็ไม่ผิดไหมครว่าคําอธิบายทั้งหมดนี้ก็คือทอี่บายเรื่องเดียวกันนั่นแหละถ้าสรุปให้ดีเนี่ยนะพิจารณาทั้งคืนทั้ง12ชั่วโมงคือพิจารณาอะไร ปัจจยาการก็คือสมุทัยสัจจนะนความสิ้นแห่งปัจจัยก็คือนิโรสัจจะพิจารณาเรียมรักก็คือมรัสสัจจะก็พิจารณาสมูทัยนิโรธมรัสสมูทัยนิโรธมรัสรอาศัยอะไรต้องต้องอาศัยอะไรไหมจึงกระพิจารณาได้อาศัยทุกขนี่แหละเป็นตัวพิจารณาทุกนี่เป็นสิ่งที่ยืนพื้นอยู่แล้วประดุดแผ่นดินเพราะฉะนั้นจะพิจารณาสมูทัยก็สมูทัยมันทำให้อะไรเกิดให้ทุกเกิด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 เว้นสัปดาห์ที่ประทับณนะรัตนคระเจดีโดยมากทรงสเสวยวิมุตติสุขคือ6สัปดาห์เน้นสเสวยวิมุตติสุขแต่ว่าสัปดาห์ที่อยู่ที่รัตนคระเจดีเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตให้เนี่ยพิจารณาพิธรรมอย่างเดียว7วันเขาบอกว่า7วันที่พระพุทธเจ้าพิจารณานะถ้ามาเขียนเป็นอักขระเนี่ยไม่มีที่เก็บนะไม่มีที่เก็บเพราะเยอะจริงๆ เอาแค่ okay, พระไตรปิฎกนะถ้าไม่มีเปไม่มี9้าวอ9้านี่จะเยอะขนาดไหนแต่ดีนะว่าท่านก้าวรอก้าหรือเขาเรียกว่าปยานใหญ่เนี่ยนะกับจุดจุดจุ ด, จดเนี่ยโอ้ยช่วยให้ลดหนังสือไปเยอะเนี่ยนะยงนั้ น, นต้นพิมพ์การพิมพ์เนี่ยสูงกว่านี้อีกเข้าตัวแต่ดีว่าจุดจุจุ ด, จ ด, จดเนี่ยช่วยไว้เยอะเนี่ยนะแต่ว่าในในรัตนคระเจดีเนี่ยนะก็คืออยู่ด้านทิศอะไรนะตะวันตกเฉียง ะตะวันตกเชียงเหนือของทองต้นโพเนี่ยนะตะวันตกเชียงเหนือต้นโพเนี่ยจะมีที่เรียกว่ารัตนคระเจดีเรือนแก้วครั้งไปไปครั้งที่แล้วก็ไปหอมผ้าที่ที่เรือนแก้วอยู่นะห่มผ้าพระเจดีเนี่ยนะมันก็ไประลึกถึงที่พระ อ, องค์ประทับพิจารณาพระพิธรรมปีดกเพราะฉะนั้นใครที่ศึกษาพระธรรมเยอะๆเนี่ยนะไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิประเทศอินเดียเนี่ยโอ้ยมีเรื่องอะไรคิดเยอะยๆไปหมดเลย สำคัญว่าพอคิดกำลังจะคิดนี่ก็หมดเวลากลับบ้านแล้วอย่างเงี้ย่ะต้นโพนี่นะต้นพระเสมหาโพนี่มีต้นโพที่ใด อ, อยาขึนะ้นอะคืออย่างงี้นะว่าที่ใดที่คนกราบอยากคิดว่าไม่มีคนคิดฆ่าเพราะฉะนั้นก็มีกลุ่มลัทธิอื่นที่เอายาพิษไปโรยต้นโพเอายาพิษไปโรยต้นโพต้นโพก็เลยปางตายรนี้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 ก็คือไปกระทุงกระทุงกระทุง่งตรงนั้นข้าเนดินจะแน่นขนาดไหนรถน้ําด้วยแล้วก็เหยียบรถน้ําแล้วก็เหยียบรถน้ําแล้วก็เหยียบยอมว่ามัจะแน่นขนาดไหนด้วยแล้วเอายาพิษไปรถด้วยตายเร็วยิ่งขึ้นเลยกรนี้แต่ว่าต้นโพต้นนี้ก็คือต้นรุ่นที่สแล้วนะก็คงปลูกใหม่เป็นต้นที่ห้าต้นที่หไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนี่ก็ใครที่ไปที่นั่นก็ระลึกะนะโดยเฉพาะตรงแท่นวัชระอาจเนี่ยนะแท่นอาสนะที่เป็นประดุจเพชรที่โปร่งประทับนั่งแล้วก็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 เพื่อให้พระญานทั้งปวงให้คุณธรรมทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นพระองค์ก็เลยประทับนั่งอยู่7วันเนี่ยนะสวยวิมุติสุขด้วยแล้วเฉพาะคืนที่ 7, เนี่ก็พิจารณาธรรมะอย่างละเอียด4ี่ชั่วโมงเนี่ยนะเออขอไปสิบสชั่วโมงทีนี้เทวดาก็เลยสงสยัยว่าเออพระสิทธิธรรเนี่ยสงสัยยังบรรลุไม่หมดยังไม่ได้บรรลุมะยังบรรลุไม่หมดจะต้องมีอะไรบรรลุเพิ่มอีกแน่จึงไม่ยอมลุกสัทีหนึ่งพระองค์ก็เลยตัดความสงสัยของเทวดาแสดงยมะกะปาติหาร พอแสดงย ม, มะกาปารติหารเสร็จพระองค์ ก, ก็เสด็จไปข้างหน้าเขาเรียกว่าไปยืนอยู่ตรงเจดีข้างหน้านะเขาเรียกว่าอนิมิสัะเจดีเนี่ยนะประทับดูแลดูที่ที่พระองค์ตรัสรู้อันนะด้วยตาที่ไม่กระพริบ7วันแต่พระองค์ก็ไม่ใช่ว่าดูด้วยจกักรคูวิญญาณนะไม่ใช่ของเราก็เาต า, ต า, ต, า, ต, าตาเนื้อเป็นเครื่องวัดอันนะเพราะมีตาเนื้อก็ใช้แต่ตาเนื้อเป็นเครื่องวัดแต่ที่จริงก็คือยืนเข้าพระสมาบัติเป็นต้นนั่นแหละ นะยืนโดยท่าลืมตานะโดยไม่ใช่หลับตาโดยลืมตาแล้วก็เข้าพระสมาบัติพิจารณาพระธรรมไปตรงนั้น7วันแล้วพระองค์ก็เดินจงกรมระหว่างเจดีตรงนั้นนะมหาต้นโพเนี่ยเดินจงกรมอย่างนี้อีก7วันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปประทับนั่งที่รัตนคระเจดีอีก7วันก็เสด็จไปที่ อ, าอชาปาระนิคโครธไปที่สัมมุจรินเป็นต้น น, นะก็ตอนหลังก็พิจารณาที่จะสงเคราะห์หมูสัตว์ ส่วนอาชะปาระนิโครดซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ห้าสัปดาห์ที่ห้าก็คงเป็นพรุ่งนี้เช้านะยมนะ